จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตรสันผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีงภาวนาใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามมาคุยได้วันนี้เราก็จะเริ่มกับพวกเด็กๆ ก, ก่อนอ่าเด็กชายนะคุณครับพจอจย์ กลับในรา ก, การค่ะพระอาจารย์นี้ไปวัดลงปู่บูกีมาครับที่ไหนจ๊ะสวัสดเชียงใหม่วัดป่าดาราพี่ลมครับวัดป่าป่าบาลันพี่ดมครับอ๋อดาราพี่ลมอยู่ที่เชียงใหม่เลย<ช>ตอนนี้ตอนนอี้อยู่ที่เชียงใหม่เลยค่ะใช่ไม่ดกดครับไม่เอาครับลูต้องไมนดูก่อน ได้ลงุงได้กลาวหลวงปู่ได้เจอหลวงปู่เปล่าได้เจอไหมได้ครับแต่แต่หลวงปู่ตอนนั้นท่านยังไม่สบายอยู่ครับเอีท่านอยู่ในห้องเ ห, อหรอด้วยท่านเอามานอกห้องเอามาต้อนรับแขกหรือเปล่าท่านอยู่ที่ไหนคะห้องฟิลลุลงของต้องปลอดเชื้อของห้องปลอดเชื้อครับ อ, บ อ, อบาอจารย์วันเราก็อยู่ห้องนอกห้องเลยดูผ่านทางกระจกเลย ก็ได้กราบพระก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน ะ, ะ, ะดีใจแม่ได้ไปกราบพระได้กราบหลวงปู่ได้ไ ด, ดีใจแม่พระอาจารย์ถามอยากมากราบตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วค่ะบอว่าเมื่อไหร่จะได้มากราบหลวงปู่บัวกเก๋ออัอนนี้ก็ได้กราบสองใจแนละ้วค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยู่สักพักเลยค่ะตอนแรกไปตอนเช้าแล้ว เขาบอกว่าต้องมาตั้งแต่สามโงถึงห้าโมงก็เลยกลับม า, มาใหม่เชียงมอันนี้ท่านอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมนะค่ะพระอาจารย์อยู่ที่แม่แตงใช่ไหมค่ะ แ, แ, แ, แม่ แ, แ ม, ม่แม่ลิมแนมะ่แตงแม่ลิมแม่ลิมคะโอเคจากตัวฉันมาเชียงใหม่กี่กี่กิโ ล, ล อ, อ่อประมาณสิบสิบเจ็ดกิโลมั้งคะพระอาจารย์ประมาณออกใกล้ใกล้<น>เลยใกล้กราบปับเดียร์ เราเราก็พักอยู่ในเมืองได้ค่ะก็เลยมาพักในเมืองค่ะนั่งรถไฟกันมาสองคนถึงตอนเช้าแล้วก็ไปวัดเลยอืมวันนี้อยู่ทำงานนะลางานค่ะสามวันพาเทามากราบหลวงปู่ค่ะกะว่ามไม่ได้กลับวันนี้ก็กลับพรุ่งนี้มีเวลาสามวันโชคดีวันนี้ได้กลับเลยค่ะลุงไปได้ไหมค่ะก็ได้ โอเคมีอะไรไหยไม่มีค่ะ oh. พระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพาน้องคุณไปเช็คอัพร่างกายใช่ไหมคะเจอคุณหมอของนักคุณแล้วเขาบอกว่าเห็นนุ่คุณสวดมนต์นะคะตอนที่คุณหมอฉีดวัคซีนคุณหมอ oh. เขาก็ถามว่าเอ้สวดมนต์ด้วยหรอแล้วนั่งสมาธิอะไรหรือเปล่าหนุ่คุเขาบอกว่าสวดครับแล้วก็นั่งสมาธิด้วยมีพระอาจารย์ครับแล้วคุณหมอถามว่าพระอาจารย์อะไรหนูก็เลยแนะนําพระอาจารย์สุชาติไป เกก็บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวแกจะเข้ามาฟังมัง่งก็ถามเขาว่าเอาคุณหมอคะเป็นคุณหมอแล้วเห็นเห็น <ๆ S 2> ลูกศิษย์พระอาจารย์ก็มีคุณหมอเยอะเป็นคุณหมอนี่น่าจะอะไรนะคะเข้าเข้าถึงทําได้ง่ายเรื่องการพิจารณาร่างกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอบอกว่าอืมก็ใช่เพราะว่าถึงแม้จะเป็นหมอก็มีเรื่องที่ต้องคิดเรื่องเครียดเหมือนกันคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาฟังค่ะก็ดีจนะ้ะค่ะโอเค ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคจ้าพระยันไปที่จะแม่แก้แที่ต่ออะไรลูกจับอีเสือพกเปาก็ตามมาตรการอาจารย์ครับอ่าไม่อะไรไหมครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับอ่าส่งมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้องคนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะร้องคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ลองมีความตายเป็นธรรมดาจะล้มงคนความตายไปไม่ได้เราจะนวินเป็นต่างๆ่คือว่าเราจะต้องพลพร่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงนอกจากเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกํามันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้ำเสียไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอเชื่อไหมเชื่อครับอเชื่อแล้วต้องปฏิบัติตามให้ได้นะครับโอเคแร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างนะมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี้อในกระดูก ม้าหัวใจตับทางผื่นไตปอดไส์ใหญ่ไซส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแย่ในสองสีสน้ำตีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำใส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำใส่พ้อ น้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนี้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสด็จน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่็กปอดไตขัําเหิดตับหัวใจม้ามเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนัง เล็บขนผมอาการล่านี้มีอยู่ในรน่างกายของใครบ้างทุกคนทุกคนแน่ใจนะครับที่ทไมมองไม่เห็นทั้งคนนะนะมีหรือเปล่ า, าแน่ใจเลยอัใครใ <Okay. S 1> คร เ, เปิดมาดูบ้างว่าของเร า, ามีหรือเปล่ า, านะเห็นไหม เห็นบกระบเห็นของเราบ้างกระบาอาการเหล่านี้ที่เราท่องอยู่นี่ก็ oh. ไม่เห็นไม่เห็นเลยคนระับ oh. เอ่แล้วไม่เห็นนะเพราะไม่มองใช่ไหครับ oh. ไม่คิดมันนะแค่ท่องหนเดียวพอแล้วอาทิตย์หนึ่งหนเดียวแล้วก็แล้วก็เลิศไปเลยใช่ไหม oh. อ่ต้องเห็นเวลาเราเห็นตัวเราในกระจกนี่เราต้องนึกถึงอาการสาิดสองบ้างนะ oh. อา่า เราจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไปคิดว่ามันสวยมันงามนะครับโอเค okay, แล้วจะไปเยี่ยมปูย่ย่าเมื่อไหร่นะเออคืนวันจันทร์หน้าครับวันจันทนะร์หน้าโอเคเราจะเข้าสู่าไปอยู่ที่นั่นเข้าครั บ, รบเข้าอยู่เลยโอเคไม่ทิ้งหน้าที่นะครับโอเคมีคําถามอะไรหรือเปล่า มีแล้วครับยังทันไดก่อนครับกลาบขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่าน้องคุณฝนกับน้องน้องน้องทีมน้องทีมขอบคุณพ่อเลยนมัสการค่ะพระอาจารย์อืมวันนี้มีสองเรื่องมากับเรียนพระอาจารย์ค่ะเอาเรื่องของทีมก่อนแล้วกันก็คืออีกเอ่อวันอาทิตย์ะครับจะนั่งเครื่องออกไปสิงคโปร์สามอาทิตย์ครับไปทําอะไรครับ ไปเรียนครับแล้วก็ไปเที่ยวด้วเรียนซัมเอลยครับไปเรียนซัมอครับเรียนอะไรบ้างนะไปเรียนจีนอังกฤษเลขแล้วก็เหมือนจะมีซิวด้วยอืแล้วก็ไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซลด้วยแล้วไปกับคพ่อไปแม่แล้วไปเองไปเองครับไปเองนะไปกับโรงเรียนก็จัดอะไรอะไรอะไเปล่าครับไปคนเดียวเลยนะ ไปสามสิบคนครับไม่ไปหกไปหกเจ็ดคนเจ็ดคนครับเหมือนเป็นเอเจนต์อะค่ะอาจารย์อ้ยเอเจนต์ก็จัดไปค่ะก็ให้เขาไปไปเรียนหาประสบการณ์นะคะอปิดหูเปิดตาค่ะหนูมีบุญนะมีพ่อแม่ส่งให้ไปต่างประเทศได้ไม่ใช่เป็นของง่ายนีบางคนนี่จะค่าเราเรียนยังไม่มีใจเนี่ย อโรงเรียนรัฐบาลยังไม่มีให้ค้างค่าโรงเรียนเป็นเทอมก็มีมันต้องดีใจต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อยู่ทุกวันนะครับเ อ, อมีคุณพ่อคุณแม่รักเราเลี้ยงดูเราอย่างดีอย่าลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นะโอเค ก็ส่วนเรื่องที่สองค่ะพระอาจารย์หนูจะมากลับเรียนว่าอ่คุณพ่อก็ได้ออกเดินทางเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ก็ไปไปสุโติแล้วนะใช่ค่ะท่านก็หลังจากที่ท่านก็มันก็หนูตอนแรกหนูกะจะเรียนถามพระอาจารย์เหมือนว่าเหมือนสัญญาพริหนูวันก่อนหนูฟังทางของพระอาจารย์พูดคล้ายๆเรื่องขันห้าที่ มันสัญญามันมันร่างกายมันคือมันมันส่งส่งไปที่กระแสจิตนะคะหนูคิดว่ามันส่งไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นคุณพ่อแบบสมองตายแล้วอะคะ่ะแล้วท่านก็คงแบบไม่ได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสัญญามันมันทําหน้าที่มันส่งไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์วิญญาณไม่ใช่สัญญาวิญญาณนะค ะ, ะพระอาจารย์ตาหจมูกนิ้กายมันไม่มีสามารถส่งรูปเสียงขีดวัดไปให้ใจได้ค่ ะ, คะก็กใจก็เหมือนกับว่า ก็วางสายใจกับร่างกายมันกับโทรศัพท์สองเครื่องติดต่อกันค่ะก็เลยต้องวางสายพอยเครื่องหนึ่งก็วางสายเครื่องนึ่งก็ติดต่อไม่ได้ก็ไปก็ไปตามต้ามมือตามกรรมแต่หัวใจก็ยังเต้นอยู่นะคะพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามันชัดดาวอ่ะเหมือนกับร่างกสมองตายมันก็ไม่รับรู้แต่ว่าหัวใจมันเต้นอยู่มันคือร่างกายมันยังร่างกาย ถ้าสีมันยังทํางานอยู่ค่อยแต่ค่อยๆค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื<ต>่อยๆยังนันใจก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไปเพราะว่าใจยังรับรู้สัง่งผดทะพ้าใด้ทางสัมผัสทางร่างกายอ๋อเพียงแต่เขาแค่โต้อตอบกับเราไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ร่างกายมันไม่ตอบสนองเลยไม่ตอบสนองอยากจะพูดจะจะชวนให้พูดให้คุยให้ทําอะไรสั่งให้ลุกขึ้นมาสั่งไม่ได้ค่ะ ใจก็มีหน้าที่สั่ให้ร่างกายลุกขึ้นเดินนั่งนอนไปมีถ้าร่างกายมันเหมือนรถเสียรถมันเสียสั่งมันก็ลุกขึ้นไม่ได้ใจมันก็เราก็อยู่กับมันไปอยู่กับร่างกายไปจนกว่าจชั้นดาวเจนกว่าจะา ว, วอย่างปิดมืองพอปิดลงแล้วใจกัร่างกายก็ไปคนละทางกัน ก็เม่เพิ <metal> ่งจะปิดสวิต hmm. ช mm ์ลงไปเมื่อเช้าตอนสิบโมงค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูก็เลยยุ่งยุ่งเรื่องแบบติดต่อว่าทำนู่นทำนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเริ่มจัดงานทำอะไรค่ะก็หนูก็คิดว่าเออก็คือพอมันปิดสวิตช์ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไปไปพบภูมิอื่นไปใหม่เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์กไปตามวัมาขอบุญกับบาปที่เขาทำไว้ว่าอันไหนจะมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกับบุนบาปก็จะเดงไปอบาย ค่ะถ้าบุญมากกว่บาปบุญก็จะเดินไปสวรรค์ค่ะก็แต่ถ้าบุญไม่พอแล้วก็ส่งบุญไม่ได้ตอนนี้ก็อยางส่งบุญไปให้ท่านได้ค่ะหน่อยถ้าบุญขันขาดนิดหน่อยแล้วก็ทำบุญส่งไปค่ะเมื่อเช้าหนูก็เสียปุ๊บหนูก็รีบทำบุญเลยค่ะโอนแบบเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็แบบเหมือนอุทิศให้ท่านทันทีเลยอะไรแบบเนี้ยก็ดีค่ะแล้วก็หนูก็หนูก็อยู่กับคุณใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อสองคนก็ พิจารณามองมองมองร่างกายค่ะก็มองท่านไปเหมือนแบบเออมันก็เป็นเป็นท่าศีกับเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็เข้าใจค่ะพระอาจ า, า, ารย์ตอนแรกเหมือนแบบช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพอพ อ, พอจะพอจะเกิดอารมณ์ปุ๊บก็จะนึกถึงคําพูดพระอาจ า, า, ารย์เลยที่บอกว่าให้สักแต่ว่ารู้ค่ะให้ให้รู้ตามความเป็นจริงอะค่ะหนูก็พอหนูคิดว่าต้องรู้ตามความเป็นจริงได้มันก็มันก็จะหยุดความคิดได้เลยอะค่ะแล้วก็จะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเหมือนที่พระอาจารย์ ร่างกายก็เป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งค่ะยิ่งตอนที่ตายนี่ยเหมือนตุ๊กตาเลยทําอะไรไม่ได้นอนอยู่นิ่งเฉยๆใช่ค่ะใช่เจ้าค่ะก็ก็ก็เป็นการให้หนูได้พิจารณาโมรณานุสติไปในตัวด้วยนะคะพระอาจารย์พิจารณาไม่มีตัวตนนะตัอคุณพ่อไม่ได้อยู่ในร่างกายค่ะคุณพ่อเป็นเพียงแดดเป็นผู้มาครอบครองร่างกายชั่วคราวเพราะร่างกายไม่สามารถ ตอบสนองของความตการของจใองจได้แล้วใจก็แยกไปใจก็ทิ้งร่างกายเลยค่ะค่ะได้ครับเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่แล้วก็เป็นไปเป็นน้องทิม <c oughs> พ่าคุณแม่คนใหม่ <c oughs> ไม่มีเราเจ้าพระอาจารย์คนเดียวว่าเลี้ยงไม่ไหวไม่ไ <c oughs> ต่คุณพ่อเนี่ยคพ่อจะต้องไปเกิดเป็นน้องน้องเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่ใช่อ <c oughs> ๋อเจ้าค่ะพ่อคุณแม่คนใหม่ <c oughs> เออก็จริ ง, รงใช่ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าเกิดเขามาเกิดมีร่างกายใหม่แล้วเราก็ส่งบุญไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะเขาก็ไม่ต้องอาศัยบุญแล้วดังนั้นเขาก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงเขาค่ะเขาก็มีความสุขอยู่แบบถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องอาศัยบุญนะบุตรมือมนุษย์ก็มีมความสามารที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ค่ะอแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณนี่มันไม่ทำํทำตัวนั้งทํานั้นทําเองไม่ได้ลราจะเพิ่มบุญเองไม่ได้ เอาสายคนที่เอาอยัางมีชีวิตอยู่ส่งบุญไปให้ค่การส่งบุญไปก็จะเหมือนที่พระอาจารย์เคยบอกว่าส่งไปทางไหนก็คือการทําทานทุกอย่างมันก็คือการทําบุญไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัก บ, บาทอย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมการจสละเงินทองข้าของให้คนใดคนหนึ่งไปค่ะแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปค่ะบุญนั้นคือความสุขใจที่เกิดจากการนำที่เราได้เสียสละเงินทองนั้นไปค่ะ ก็เข้าใจแล้วค่ะพระสัมตอนนี้เราก็มีหน้าที่จัดการสศพให้ก็จัดการให้ให้มันค่ให้มั น, <God. S 2> มนเรียบร้อยไปนะฮอไม่ต้องอ่าไม่ต้องรู้หลาไม่ต้องอะไร <God. S 2> ไแตก็ทําให้มีสมเกตต่อกานฐานะไปค่ะก็ เรียบง่ายค่ะหนูชอบความเรียบง่ายอ่ะก็ไม่ตั้งเจ็ดวันสามวันห้าวันก็พอห้าวันแล้วก็แล้วก็ห้าวันแล้วก็เดี๋ยวชาปนากิจแล้วก็ลอยอังคารหมดเลยค่ะพ่ออ่าก็จบไปจบจบเลยค่ะพ่อก็แบบไม่ไม่ได้ทําอะไรหรูแล้วไม่มีเลยค่ะไม่ได้อะไรเลยด้วยค่ะก็ง่ายๆหนูชอบง่ายๆอยู่แล้วด้วยอะไรอืมแล้วก็หนูก็จะตั้งใจปฏิบัติเออจะได้เผแบบอุทิศบุญให้เขาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเจริญมรณานุสติไปในตัวด้วยอะไรอย่างงี้ยเนี่ ค่ะโอเคค่ะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้ก็คือไม่ได้คือนิดนึงค่ะมีตอนที่แบบเหมือนตอนเดินเข้าไปในห้องแล้วเหมือนแบบเออมันก็นึกถึงตอนปกติคนนั่งอยู่ในห้องก็มีคือมันเป็นอารมณ์เสียใจจากเสียใจอ่ะไม่ไม่ได้เสียใจค่ะอาจารย์เหมือนแบบคิดถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รีบรีบรู้อะค่ะอาจารย์รีบรู้แล้วก็แล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะก็จะนึกถึงคํานี้ตลอดที่อาจารย์พูดว่าให้ให้รู้ตามความเป็นจริงอ่ะค่ะก็เลย แล้วก็เราก็จะจะจะดับอารมณ์มันจะมันจะดับไปเองอะค่ะแล้วก็ก็โซฟาก็แฮนด์ลทุกอย่างได้ตามที่ควรจะเป็นนะคะพระอาจารย์ดีค่ะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยดีค่ะเข้าใจเข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์ก็บางคนอาจจะคิดว่าไม่ไม่ร้องให้แสดงว่าไม่รักพอ่อรักแม่ได้ไงนะกแต่ร้องไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะใช่บางคนต้องเสียแซงทําเป็นร้องให้ท่านเห็นให้คนนี้ก็เห็น อ่านี้เดี๋ยวก็คงแบบโอเคแล้วแบบ stay stay strong ได้แล้วค่ะอาจารย์แบบแต่เราถ้าอาจจะรู้สึกบ้างตอนช่วงจุดไายผาอะไรนี่กระบวนการละการขั้นถัดทานก็อาจจะเกิดความรู้สึกนึกในใจมันก็ใาจจะต้องจากกันแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็จะเป็นเป็นฟิลฟิลประมาณนั้นนะคะะอาจารย์เป็นเป็นที่แบบก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ใจมันเรื่องของความประทับใจเกี่ยวกับ ตัวท่านเ็นการเอากับท่านมีความสัมพันธ์กันอะไรใช่เจ้าค่ะเป็นเป็นอารมณ์แบบที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะว่าเป็นเป็นเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกใจเหมือนกับทุกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมพ่อยังไม่อยู่กับอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้มีฟิลไม่มีไม่ได้มีอารมณ์แบบนั้นนะคะอยอมรับความเป็นจริง ค่ะยอมลับค่ะพะู้อารยวุโสใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็ไม่เศร้าโศกเสียใจค่ะั้นการน้องให้ไม่ใช่ไหมเขาต้องเศร้าโศกเสียใจค่ะความซาบซึ้งในใจในในตัวของท่านค่ะเรามีความซาบซึ้งในบุญคุณของท่านใ น, ในหลายๆดาานใช่ เ, เชจ้า่ต้องสูญเสียคนที่มีพระคุณไปใช่ค่ะใช่เจ้าค่ะเป็นแบบนั้นเลยเศร้าโศกเสียใจ หนูเออเพอราะอาจารย์พูดมาหนูจะได้เข้าใจตอนก่อนหน้านี้หนูไม่เข้าใจอารมณ์นี้ค่ะก็เลยหนูก็เลยเข้าใจตอนนี้เลยค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์จะได้รู้สึกดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็สามารถดําเนินชีวิตเป็นปกติได้ทําหน้าที่ของเรไปได้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดําเนินได้ค่ะก็มีมคิดทุกอย่างสเต็ปหนึ่งสองสามสี่หรือว่าต้องทําอะไรบ้างในแบบนี้อาจารย์มีมีสติเจ้าค่ะพระอาจารย์ โอเคค่ะกับขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะเจ้าค่ะที่เมตตาค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะกับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้กับขอบคุณค่ะพระอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะนั่งพีเมื่อกี้อยู่หายไปไหนละมาให้บ่าวเลือดจะรอใ้กับมาักกาไปเข้าห้องน้นค่ะมาแล้วอี่ก็จะบอก ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ฝนด้วยนะคะที่เสียคุณพอว่าจะว่าจะขอะแสดงความเสียใจด้วยคะ่ะมามาต้องเพง ม, มีอะไรนางน้ำสกังค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะรนมำสกังค่ะปรุงแต่ครับเอสวดมนต์หรือเปล่านั่งสมาธิหรือเปล่าสวดมนต์ครับแต่ว่าไม่ได้นั่งค่ะสวดได้กี่นาที สวดได้เท่าที่ีสวดได้ค่ะงาซ่าถามสวดประมาณประมาณสินาทีนะคะสวดบนไหนบ้างสวดอะไรบ้างสวดนั่นจําชื่อไม่ได้สวดนโมตสระสวดสรรเสริญพ ร, ระพุทธคุณพระธรรมคุณนะคะแล้วก็อ่อ่ า, อ า, อาแล้วก็มรรฒนาสินค่ะแล้วก็คาถามงุลพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ ปีพึ่งกลับมาได้ 2-3 วันค่ะหลวงพ่ อ, อไปไหนมาเลยน้องพี่ไปไหนมาบอกน้องตาใช่ครับไปเล่นเกมเหนาะเหนาะท่องพีเจลาณาสังขารได้แล้วครับการอะไราการสังเกตสองเลยคะคะเช่ชนเหนาะสักห้าการด้วยก่อนนะ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 คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบต่อไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิย่เก่งนะชัดเจนเลยไม่ไม่ติดไม่ขัดเลยอเอาไว้ทุกวันนะอย่าลืมน ะ, ะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเตือนใจเราจะได้ไม่ประมาณค่ะดีแล้วเราจะไม่ทุกกับร่างกายนะร่างกายเป็นแล้วก็ยี จะไม่ทุกข์กับมันมันจะแก่แล้วก็ไม่ทุกข์มันจะเจ็บไข้ล้วก็ไม่ทุกข์มันจะตายแล้วก็ไม่ทุกข์นะดีไหมคำของพุทธเจ้านี้ดีนะ<ๆ>ดับความทุกข์ใจได้นะจริงค่ะดับได้จริงจริงเลยค่ะเอาทองทองไปก็รู้สึกแบบว่าจากที่แบบเราก็รู้สึกแบบเหนื่อยหายแล้วก็เห็นสังขารที่เจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ก็รู้สึกว่ามันก็น่าเบื่อน่าเมื่อยดายแต่การเป็นมา จ ร, จริงเลยอยากกำมาเกิดเนี่ยดีที่สุดใช่ค่ะใช่คราหมายต่อไปก็คือหยู่การเกิดเมื่อเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็อยากกำมาเกิดนะก็ต้องมปหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยากดูอยากฟังก็ยังต้องมีร่างกายอยู่ถ้าได้ดูไอ้ฟังได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายมาอาทิตย์ที่แล้วว่าจะถามหลวงพ่อโอ๊ย ว่าอาทิตย์ก่อนนู้นพอดีว่าได้ได้เห็นคนต่างชาติมาหาหลวงพ่อเยอะเลยวันั้นก็เปิดฟั ง, ฟ, งฟังกับแฟนบอกโอ้ฟังไม่รู้เรื่องทําไงดีวันนี้มีกลุ่มชางมานได้เสียสิงคโปร์มาเกือบร้อยคนค่ะโหูแพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังค่ะก็เลยบอกโอ้พราก็นั่งมองนั่งเราฟังไม่รู้เรื่องทอํายังไง <c oughs> เลยไม่ได้ฟังเลย ก็เปิด Google ท r a n s l a t e ได้ให้เขาแปลภาษาไทยได้เอบางวิดีโอของหลวงพ่อก็เปิดไม่ได้นะคะคือเราต้องเปิดเครื่องของเราเองแล้วให้มันเสียงเข้ามาในเครื่องเราบือวิดีโอหนูก็เปิดตรงซี CC ค่ะบางทีมันก็แปลได้บางทีก็แปลไม่ได้แคปช่ใช่ค่ะบางบางบางวิดีโอนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันแปลเข้ามือถือเราเราก็ เอามือถือไปจอใกล้เครื่องแล้วมันจะมันจะแปลขึ้นมาในมือถือเราแต่เป็นตัวอักษร ใ, ให้เรา <c oughs> ต้องเข้าไปใน Google Translate เรามีโปรแกรมแอ ป, ปที่เวลานได้ยินเสียงภาษาหนึ่งมันก็จะแปลไปอีกภาษาหนึ่งตามที่เราต้องการ <c oughs> อย่างชาวต่างชาติบางคนเข้ามาฟังเราพูดภาษาไทยเขาก็เขาก็เปิดในแอปในแปลแล้วเขาก็อ่านอ่านไปในในจอของเขา ในมือถือของเขาอีกทีน่ะนึกโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยที่มานะหูแบบว่าใจแบบมาเต็มเปีเ่ยมเลยเป็นลูกศิษย์หลงพ่อเหรอคะก็เขาศรัทธาแล้วมัง ก, ก็ก็เขาติดตามทางทาง u ูทูทางเฟซบุ o กเนี้ยแล้วพอถึงเวลาเขาก็จัดทัวร์มากับอุบาอาจารย์ตามวัดตา่างๆเราก็ติดล่างแห้ไปเขาด้วย <laughs> เข้าไปเลยไม่เยี่ยมนี่ก็มีติดตามมาอยู่เรื่อยจะมาเป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้คอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็อยากจะสั่งอาหารใส่บาทเลยด้วย <c oughs> <c oughs> ยุ่งไปใหญ่เลยทีนี้ <c oughs> หนูอยากจะไปเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแหะค่ะพอดีว่าหลวงพี่หลวงพี่ซันนะคะจะจะลาสิกขาแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปจะไปกราบหลวงพ่อนะคะก่อนก่อนสงการ เขาเ่าจะสะดวกอ่ามาส ะ, สะดวกเมื่อไหร่ก็มาตามเวลาที่เรานันหมายกันไว้ค่ะหลวงพ่อหนูก็อยากจะไปถวายเพลนหลวงพ่อด้วยค่ะอ๋อที่นี่ไม่ใช่ฉันเพลนฉันเมื่อเดียวอืมฉันเช้าเมื่อเดียวอ๋อวันอย่างนี้ก็ต้องไปตักบาตรอย่างเดียวใช่ไหมคะ่ะตัก บ, บาตรอย่างเดียวสะดวกที่สุด <c oughs> โอเคมีอะไรไหมไม่มีจ้ขนะขาด น้องพีหนูทำดีนะน้องต้องทำไว้ทุกวันนะก่อนนอนทนะอย่าลืมนะโอเคใจเลยเห็นไหมสร้า <c oughs> งบุญแล้วเห็นไหมโอเคมทุกขขอให้ น, นห้พอท่ากางแข่งแรงเจ้าค่ะน้องตะวันต่อน้องตะวันจะพอแงรงรับมัชฌิมพระชั้งครับ <c oughs> นี่ทำไมวันนี้คุณพ่อไปทํางานได้แต่เมื่อวานนี้คุณพ่ออยู่บ้านได้หรือเขาอยู่ที่ทํางานเอออยู่ที่บ้านค่ะอ๋ออยู่ที่บ้านเนี่ยก็าสามารถลาได้ได้ไงนะว่าเออผมคิดว่ามันได้กับใช่ออทำงานที่บ้านเป็นบางครั้งใาาา ช, าช่ค่ะพอาจารย์แล้วแต่ช่วงจังหวะแล้วค่ะอืมอาจจะต้องทุกข์ทางร่างกายเลยช่วงนี้อืมก็ดีเป็นย า, นนยาเสพต สำหรับเขาไปแล้วก็อันนี้ถามน้อยหน่อยนะพูดน้อยหน่อยน ะ, นะ <c oughs> เริ่มเข้าใจ น, นี่ปฏิบัติไปเริ่มเริ่มพูดน้อยขึ้นคิดน้อยลงนะ <c oughs> ดีอย่างเมื่อเช้า <c oughs> ยัางเมื่อเช้านี้เ <c oughs> ดี๋ยวโยมข อ, อก่อนได้ไหมคะพระอาจารย์พอดีเจ้าตอ น, น, นก็มีคำถามแต่ว่า เออ่เมื่อเช้าเขาบอกว่าเขานั่งทานอาหารแล้วเขาก็พิจารณาอาหารอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์เขาก็มองว่าเอออาหารเรื่อนี้ก็เหมือนเหมือนคนอย่างเงี้ยเอมันก็แค่กินไปแล้วก็เอาเข้าร่างกายแต่คนก็มักจะเอาอาหารเนี่ยไปทําให้มันเป็นหน้าตาสวยงามเพื่อเพิ่มกิเลสเพิ่มความอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขาก็พิจารณาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มองเปรียบเทียบกับร่างกายขอเขานะคะเขาก็เล่าให้โยมฟังนั่นพิจารณานะ ให้เป็นปฏิโกณนะจะได้ไม่จะได้ไม่ได้โลคอยากกินอาหารมากาจนเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินนะคนส่วนใหญ่เนี่อยู่เพื่อกินเงินคนอยู่เพื่อกินนี่น่าไปกินตามร้านอาหารหรูๆอาหารดูแล้วจัดมาดูน่ากินน่าอะไรนะกินเพื่อนอยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่ก็ไม่ได้กินกินเข้าไปเยอะๆเข้าไปให้มันเข้าปากให้มันอิ่มก็จบ นับความหิวเหมือนกินยาไปไม่พิธีพิถันเขาบอกว่า <S <S เถ้าเป็นสมัยหลวงปู่ ม, มัม่นเมื่อประมาณหนึ่งรอยปีที่แล้วเนี่ยเออ่ครอบครัวเวลาทานอาหารเนี่ยมันน่าจะมีความสุขมากก็คือว่าทํากับข้าวอะไรก็มานั่งทานกันแต่สมัยเนี้ยกว่าจะทานได้โหต้องมานั่งเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็ลงอินเทอร์เน็ตซะก่อนกว่าจะได้ทานต้องว่าแบบอต้องอวดกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันไม่ได้ว่ามันอืมันก็เบ้อไป ก็น่าหน่ะชาวอวดนะฉันมีความสุขฉันอะไรแต่เวลาความทุกข์เนี่ยไม่ย่างมาอวดกันเลยเวลาหลังน้ำตาก็เลยห <c oughs> ลงกันนี่ยหลงคิดว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความสุขไม่มีความทุกข์กันอ่าไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ทรบาบว่าหายไปไหนเสียงยังอยู่จ้าค่ะพระอาจารยา์ได้ยินนะได้ยินนะแล้วก็ อ, อ, ยอย่างเวลาโฆษณาอาหารเนี่ย เอ่อก็โฆษณาสวยงามแต่เวลาโฆษณาว่าอาหารที่ทำแล้วทานออกมาเป็นยังไงไม่เห็นจะมีออกโฆษณาบ้างอ่ถ้าเหงนก็คลายไม่ออกอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครมองมีแต่พวกพวกบ้าอย่างพวกเราแนทะ้พวกแบบ ก็ยังคุยกันอย่างเช่นชุดชั้นนายอย่างเงี้ยอย่างจะอัดกางเกงผู้ชายกางเกงในผู้ชายกันผู้หญิงก็มีโฆษณาการใส่ ย, ยังไงแต่ว่าเวลามันสกรปรกหรือว่าเวลาอะไรโฆษณาผ้านามาอย่างเงี้ยไม่เห็นมีแล้วว่ามันเลอะมันเลอะยังไงแสดงแบบของจริงมีเลือดประจำเดือนไม่มีโชว์มาให้ดูเลยจะไม่โชว์อะไรก็ไม่รู้องชว์มัน <c oughs> โล่งเปนของความลงชอบแต่ของสวยสวยงามของไม่สวยไม่งามต้องเปรีบปกปิดต้องไม่ไม่ไม่เปิดเผย ก็เราศึกษาเพื่อตัวเราครับคนอื่นก็จะศึกษาไม่ศึกษาก็เรื่องของเขาไปเราเราพูดเรื่องเหล่านี้ในในวงวงวงหนึ่งเขาก็จะหาว่าเราบ้านะเวอย่าพูดเรื่องธรรมะอะไต้องดูก่อนว่าคนที่เขาฟังนี่เขาสนใจธรรมะหรือเปล่า ก็ไม่สนใจก็พูดไม่ได้แล้วเรื่องเราอย่ี้เรื่องการปฏิบัติได้ครับก็คือผิดกราเทศโดยแล้วก็อย่างอย่างที่เราปฏิบัติมาเมื่อก่อนเราก็เราก็หลงเหมือนเขามันก็อาจจะกระไดกระดั ก, กปากว่าไปว่าเขาในขณะที่ตัวเองเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบเขาเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนะแล้วมืนอจะทําให้ธรรมะการเป็นของของของหน้าเกลียดไปหน้าตาอะไรไปมีแต่เรื่องตายเรื่องสกปรกอะไรทั้งนั้น งัก็ต้องเวลาสอนพูดธ ม, มา ก, กัใครต้องดูว่าเขาอยู่ในระดับไหนด้วยแต่บางทีเขาถามเขาก็อาจจะถาม <c oughs> หเหรอสนใจท้งนี้เขาจะถามไปอย่างนั้นแหละคะ่ะอาจารย์ถามแบบตามมารยาทจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะรู้อย่างนี้ยค่ะก็ต้องดูว่าเขาถามเป็นมารยาทและถามจริงแล้วก็อาจจะวิแวะไปนิดหน่อยพูดนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็ถามต่อก็คย <c oughs> ขยายต่อไปเห <c oughs> มือนที่สมุทรนี่ก อเชิญพระอาจารย์น้ำมันส่น่มไว้สำหรับสอนเราเท่านั้นเองไม่ได้ไปสอนคนอื่นเหมือนมีคนมาถามว่ามีอะไรให้ให้ปรับปรุงบ้างบางทีเราก็ใส่เป็นเต็มสุดท้ายเขาก็มาโกรธเราแบบนี้ก็มีครับใช่จะพูดเป็นเป็นเป็นรอยางเป็นมารยาทมรยาทก็เหมือนมีนิทานที มีคุณหญิงคุณนายไปฟังเทศกับหลวงตาหลวงปู่ฟังว่าตอนฟังมันจะท่านเรนนี่กิเลสหายไปหายหมดไปเลยไม่มีกิเลสลรงเล ย, ย ใ, ใจเลยหลวงตาก็เตอบว่าอีกตอแหละพอพูดท่านั้นแหละโกรอเลยไม่ไม่บมบไม่เล ย, <c oughs> ยนะธรรมะ บางทีเราคิดว่าเราไม่มีกิเลสแต่ถ้าเราให้กูบาอาจารย์ท่านมาเคาะกะลาเคาะกระโหลกทีสสารแล้วแต่ผู้ที่เขาฉลาดนี่เขาก็เอ๊ะทําไมยังโกรธอยู่หรือยังไงเอ๊ะไปทำไมน้าโกรก็แสดงว่ายังไม่บนรนุแสดงว่ายังกิเลสยังไม่ตายก็ต้องพยายามยังไม่ยังไม่ชอบให้คนหยาเราไม่ชอบให้คนฆ่าอานเราอยู่ยังชอบสนเสริญไม่ชอบนินทาอยู่ ก็ยังสอบตกอยู่นะน้าหลวงปู่ครูบาอาจารย์ให้ก็สอบแบบกระทันหันทนทันทีถ้าไม่บอกล่วงหน้าก่อนถ้าบอกล่วงหน้าว่าเตรียมตัวไว้ก่อนนะหลวงปู่พูดงั้นูก็จะไม่โกรธ <c oughs> อย่างนี้ต้องดา่าต้องฝึกด่าดตัวเองไว้เยอะใช่ไหมคะอาจารย์เพระาะว่าถ้าเราด่าดตัวเองชิงด่าดตัวเองไว้ก่อนเนี่ยพอเขาด่ามาปุ๊บอ๋อเคยกูเค ย, คยด่าดตัวเองมาแล้วสบายมาก กำลังดูแต่ถึงเวลาจริงๆนีมันถ้ามันได้ตั้งตั้งใจแล้เรารับไว้ก่อนมันก็มันกไ็ไม่แน่นะบางทีได้ค่ะโดนหมักถูกหมักถูกเข้าไปนี่ไม่ได้ทันระวังตัวก็วหงายหลังอืมอะก็ดีอ่ะจะได้มีอะไรทดสอบจิตใจเรา <c oughs> ที่เราสรอบอารมณ์กานสอบอารมณ์นี่เขาไม่บอกต้องหน้ากับเราจะสอบอารมณ์นะถ้าบอกมันก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะ <c oughs> อใช่ค่ะอย่างบางทีโยมาสูภาษาโยก็เตรียมตัวรับเหมือนกันเอ๊ะวันนี้จะโดนอะไรพระจันทร์จะโดนอะไรอวันนี้โดนแล้วยังยังไม่โดนนะผ่านถ่ายอะไรไปบ้างอย่างก็จะี๋โดนก็ดีเพราะมันจะได้รู้เอัตามันยังมีอยู่หรืออะไรแบบนี้ใช่ไพระจานทร์อันนี้ นน อ, อ, อาจารย์วันนี้ผมมีหนุคนคำถามครับมามาเลยเ อ, อ่อถ้าผมทําสมาธิผมก็รู้งไงได้ถ้าผมมีสมาธิครับรู้อ่ะ <c oughs> ถ้าจิตสงบมืนกับเหมือนกับเวลาที่เราอยู่อยู่ห้องที่มีเสียงกระตุกครื่องแล้วเราเขาย้ายเข้าไปอยู่อีห้องที่เงียบที่สงบที่เย็นสบาย จิตเรานี่สามารถเปลี่ยนเป็นจากจิตที่วุ่นวายกลายเป็นจิตที่สงบตด้าจากสมาธิถ้ายังไม่เจอก็ยังแสดงว่ายังไม่ถึงสมาธิเคยเจอยังเจอจิตนิ่งเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมีความเย็นมีความสบาย <c oughs> ไม่มีอะไม่มีอะไรเลยวันที่ ว, นวนันที่เพื่อนมากดกิ่นวันั้นอนะแล้วดูก็เกลื อ, อขังเกรื้สองของังเกลือ นองได้ไหมหนจะเล่าได้ให้แม่เลัาให้ฟังก็วันนั้นพราทานั่งทำสมาธิอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารแล้วทีนี้ก็มีคนมากดกริ่งเขาก็หุดหงิดว่ามากดทําไมตอนนี้แม่อ่ยโยงก็เลยเอ๊ปกติเนี่ยเวลามีคนมากดกริ่งเนี่ยเขาจะคิดว่าเอ๊ะเพื่อนมากดเรียกแน่นอนเขาจะลิงโลดมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่วันนั้นนี่รู้สึกเหมือนเขาหุดหงิดก็แปลว่าที่เขาหูดหงิดนี่คือเหมือนกับว่าเขาอะกําลังทําแล้วแบบมีความเยือกเย็น มีสมาธิอยู่อะค่ะพระอาจารย์ก็เลยยังไม่อยากที่จะลุกไปไปเปิดประตูแบบนี้ค่ะอาจารย์าถ้ามันเยือกเย็นมันก็ต้องไม่งอนเหยียดถ้างอนเหยียดก็จลังว่ามันก็ไม <c oughs> ่ยุบมันก็ไม่มันก็ไม่เยือกเย็นแล้วเนี่มนย <c oughs> มันไวเนี่ยจิตมันเปลี่ยนได้ไวอาจจะอาจจะกําลังสบายสบายพอได้ยินเสียงอะไรมันรบกวนใจหน่อยก็งอเหยียดขึ้นมาทันทีเลยอืม หมองก็อันนี้คือเหมือนกับยึดยึดความสุขไวใช่ไหมคะพระอาจารย์คือไม่ได้คิดตรงหน้าว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แบบ น, นี้สช่ไหกาใช่ก็ยึดติดเนี่ยพอาออะไรมาใครมารบ ก, กวนทำให้เราต้อง อ, ออกจากความสุขนั้นมันก็เลยทำให้เราโมยเย็นึ้นมาแม่เลาให้เรื่องเ่ขนมที่ว่าเด็กสีขนมที่แว่บอกโอเคจ้ะล่าให้พระอาจารย์ฟังไหมหรือเาให้พราจารยล่าไหมเร<ๆ>าใช่หนูไม่เล่าเองไ่ไม่ต ก็ก็ตอนนั้นก็ว่าเขามีความสุขอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนเขามากดแล้วก็เขาก็เลยหงุดหงิดคือกําลังสบายอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยไม่รู้เขาจะเข้าใจหรือเปล่านะคะพระอาจารย์เพราะว่าวิธีนี้ที่โยมแชร์ก็คือว่ามันได้ผลตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าเด็กที่เขาได้ขนมลูกอมไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์เป็นโรลี่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วสมมุติถ้าไม่มีผู้ใหญ่มาบอกอะว่าเดี๋ยวหนูกินขนมไปเนี่ยเดี๋ยวในระหว่างที่หนูกินขนมกำลังแบบเมาแมนกับการกินขนมเนี่ย อร่อยอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเด็กคนอื่นมาแย่งขนมหนูไปหรือหนูทําขนมตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้บอกไว้ลงหน้าปุ๊บอะเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเด็กมันก็จะร้องงองแงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าความสุขเขาหมดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าค่ะเชิญพระอาจารย์ค่ะอก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออพอสมมติว่ามีเด็กมีคนเด็กคนอื่นมาแย่งขนมไปแย่งลูกอมไปเอ๊ะอ้าวเมื่อกี้นี้ แม่พ่อแม่บอกเอาไว้ว่าเออมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าสติเขาก็จะกลับมาว่าเออมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เอออาจจะอาจจะไม่งอแงมากอย่างนี้จะขอพระอาารยโยมก็คิดว่ามันจะคล้ายกันอย่างนี้ยค่ะก็มัรู้ข้อสอบก่อนไงท่าไนรู้ข้อสอบมันมันก็สามารถทําข้อสอบได้ถ้าไม่รู้ข้อสอบมันก็อาจจะทําได้จะทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของตนตอนนั้นณขณะนั้นใช่ไหยคะใช่อถ้ามีปัญญาเ่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเกิดได้ดับได้ มันก็เฉยๆได้เพราะว่าโยมก็เจอบ่อยมา่ก่อนเนี่ยคือเวลาบางทีวันนั้นก็ไม่มีอ่าไม่มีไม่มีไม่มไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้นัดใครไว้หรือว่าไม่มีจดหมายมาส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อ๊มีคนมากดริ่งขึ้นมามาขัดความสุค์อย่างเงี้ยวาซาลเลยต้องต้องตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่ามันอาจจะมีอะไรเข้ามาไม่คาดฝันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนเรากําลังเจริญภาวนาอยู่ค่ะอืมดีน้อง เตืียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีหนักบ้างเบาบ้างมันก็รู้เลยว่าเออตอนนั้นมันมันยึดอยู่มันยึดอยู่แล้วก็มันมันมันยึดอยู่มันไม่อยากให้ความสุขมันหมดไปแล้วมันก็กมันก็เป็นโทรศัท์เข้ามาแทรกแบบนี้เราต้องสักแต่ว่ารู้ว่าภาวะนั้นผ่านไปแล้วหมดไปแล้วภาวะใหม่เข้ามาแทนที่แล้วชีวิตเรานี้เปลี่ยนภาวะไปเรื่อยๆกับทุกวินาที บางทีมันเปลี่ยนน้อยหรือมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมันก็รู้สึกสบายแต่พอมันเปลี่ยนหนักเ ป, นเปลี่ยนแรงมันก็เลยทาให้เราเกิ ด, กดความงงงงยงงงงงงงงงงงงงงงมงงกขึ้นมางงงงงงงงงงงงนสอนใจอยู่เรื่อยงงงงงงงวงงงงงงงงงันต้องเปลีงย น, ปย น, นงปงงเรื่อยๆงงงงงงงงงงงงรงรงงใงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเงงงองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง อะไรจะเกิดก็เกิดเราจะมีก็มีก็ยินดีกับมันไปใั่แต่ว่ารูปไปอย่างที่คุณฝนไม่กคยพูดรับรู้ไปโอเคมีอะไรอีกไหมเข้าใจยังตะวันเข้าใจอยังเข้าใจไหมครับอืโอเคท้างั้นเทนี้ก่อนนะแล้วค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอไปที่อาจารย์พรมพิราย ก็ตมเป็นยังไควรเมื่อกนปลุกขึ้นมาหรือยัอวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะมาแล้วค่ะอนอ น, น, อนรอฟังพระอาจารย์ค่ะการประจาครับรรรรเป็นงไงบ้างสุภาพมีไหมก็ริ่มาได้ค่เรียบร้อยดีครับพระอาจารย์ครับ จ, จะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ในวันพุ่งน้ดหะอ่าดีาไม่ไหวนะ ไม่ไหวก็ไปเลยถือไม่เท้าถือไม่เท้าเก้าอี้ไปด้วยไปอาจจะต้องไปไม่ได้นะก็ต้องไปทาง y o u t u ู e แทนนะตอนนี้ก็เที่ยวไปหมดแล้วสองอาทิตย์ที่จะไปเนี่ยเที่ยวมาทุกวันแล้วเที่ยว YouTube ผ่านยอทดีไปตามกิเลสค่ะก็ให้มีความเพลเพิินสบายใจก็แล้วกัน ก็จะได้แล้วเลิกกิเลสท่องเที่ยวสัที่หนึ่งค่ะแปลว่าทั้งวันอาจจะเบื่อก็ได้นะเบื่อจะอยู่บ้านได้เราเราเบื่อแต่คนอื่ก็ไม่เบื่อเขาก็มาชวนเราอีกนะไม่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ไปกับลูกๆแล้วค่ะก็ไปสักรอบหนึ่งคงจะไปไม่ไม่ไหวแล้วค่ะคงต้องเลิกเลิกกิเลสท่องเที่ยวของคุณอนุปูลไว้ที่บ้านแล้ เอเคผมเป็นคนเดินตามไม่โอเคยังทำได้ก็ทำไปนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรต้องมารับพลังจากพระอาจารย์ค่ะก็ต้องดูแลร่างกายกันไปแล้วก็ดูแลจิตใจกันไปให้ให้สงบกันนะคะให้สงบให้สบายไม่ไม่เป็นวายนะโอเค ดีจ่จสาธุสาธุค่ะพระอาาย์พราจานแข็งแรงนะค ะ, นะคนนิสาต่อนิสาเ a น้ำกลับนวัฒกราร ค, ค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ก็มารายงานว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่ลูกมีปัญหาเกี่ยวกับการ น, นั่งสมาธิแล้ว ตามลมมาคะพระอาจารย์ก็ดีขึ้นนะคะได้คําสั่งสอนพระอาจารย์ว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะคะ่ะให้สักแบบว่ารู้ว่าค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะพระอาจารย์อืแลนน้วก็สงบดีค่ะแล้วตอนนี้วุ่นวายไปกับรัฐบาลใหม่ต้องว่า ก, ก็วุ่นวายเขาก็วุ่นวายกันนะคะครูก็ดูข่าวไปเรื่อยะค่ะพระอาจารย์ <laughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคง ฝุ่นตลบอยู่ค่ะพระอาจารย์กับทาลิฟนะะพระอาจารย์แล้วมีมาตรการใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยนะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็กระทบกระเทือนไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ลูกเขาก็โมโหเพราะว่าหุ้นเพือนก็ตกไปหมดนะคะพระอาจารย์เพราะเขาเขาเขาเลือกค่ะลูกก็บอกก็แล้วนี่ไงเลือกมาแล้วไง ออทุกคนก็หวังว่าจะดีแต่โบดว่าไม่ดีอ่ะค่ะพระอาจารย์ยยกตต็ต้องต้องทําใจต้องทําใจค่ะต้องทําใจค่ะอเป็นเรื่องของทางโลกค่ะพระอาจารย์ใครมาก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อมีแต่ความแบบวุ่นวายอ่ะค่ะพระอาจารย์อืม เป็นกันหมดทั้งโลกใช่ไหมคะภรอาจารย์พี่เือนไทยก็เห็นอภิปลายอะไรกันเยอะที่ท้งโลกมีการแข่งแย่งชิงดีในลาบยุทธสร์สุกันใช่ได้ใช่ค่ะภอาจารย์ก็รู้ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูสาวรนะคะพระอาจารย์จะเห็นช้าก็ไปไปจับมือกับปูตินก็นอยู่ที่ผลประโยชน์ ค่ะทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ค่ะอาจารย์ถ้าได้ผลประโยชน์ก็จรักกันกอดกันดีเพราะถ้าไม่คานผลประโยชน์กันก็ก็กรดกันเกียดกันไปค่ะผลประโยชน์พี่น้องยังยังยังเอากันได้อยังทะลาะกันดค่ะอาจารย์ก็ก็คุยๆเขาก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างจะตกอยู่ที่ผู้เลยผู้บริโภคหรือเปล่าค่ะอาจารย์อืม ประชาชนตาดำๆก็ต้องรับกรรมว่าแบบของก็ต้องแพงเงี้ยค่ะอาจารย์อ่ะครับอ่ะมันก็เราเป็นพวกที่ต้องรับผลอ่ะเขาทะลอะกันแต่จริงๆหลังๆหลังมิไฮเด e ร์ซีนเขาอาจจะจับมือกันก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะดูไปให้อย่าไปทุกขกับเขาแล้วกันนะ ทำไหมไม่ไม่ทุกค่ะก็ยอมรับตามความเป็นจริงค่ะคระอาจารย์ดีค่ะโอเคนะค่ะค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็สู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์คุณคันจีนไต้หวันไต้หวันก็ยุ่งเนระื่องนกินใหญ่กับจีนเล็กอย่างนะั้นน้อมกับนมัต ก, การพระอาจารย์ก็รับได้ไงไนคนจีนไต้หวันอยากจะรวมรวมกับจีน แันเงนใหญ่หรือเปล่าเยมี่ผมเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ครับแต่ว่าเห็ยนเห็นว่าจีนเขาก็อยากได้แต่ว่ามันจิตตรงที่สหรัฐเขาไม่ให้ครับสหรัฐเขาลงทุนในในไต้หวันเยอะครับก็ก็เลยยุ่งกันอยู่ครับแต่ก็เอาเขียนรถทหาร เคองบินอะไรก็เต็มครับก็เหมือนไทยแล้ครับเหมือนไทยกับอะไรนะเหมือนไทยกัมพูชาครับก็ยหญๆครับผมว่าในในความรู้สึกของผมน่าจะมีครั้งที่สามหรือเปล่าสงครามโลกมันต้องมีแน่ๆมันจะเกิดเมื่อไหร่นั่นเองเอเ อ, เอฟังหลวงหลวงปู่อินท่านหลวงปู่อินทถวายนะครับวัดป่านาคำน้อยท่านพูดว่า มันกะเกิดแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนแต่มันต้องมีครั้งครั้งที่สามนะครับอมันจะมีไป็นการสปายกันหมดทั้งโลกนะไม่ยครับผมก็คนเรามันคนเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันไม่เป็นไปได้ยากมันต้องทะเลาะกันแม้แต่คนคนอยู่ในครอบครัวบ้านเดียวกันยังต้องทะเลาะกันเลยนัภาษาอะไรกับกับคนต่อยประเทศก็เห็นแบบ้าจาย์นี่ เชี่ยวนะครับพิมทำบุญวันละบาทก็ยังดีนะครับเกิดได้ติดตัวไปผมว่าประกทันหันเกิดมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำไห ม, ไมเดี๋ยวเกิดเวลาถึงต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปได้มีวีซ่าบมีการติดตัวไปนะครับพยายามทำไม่ไม่พยายามหรอกครับทำเดือนหนึ่งต้องให้มันได้ได้เกินอัพก็ทั้ทงตั้ง ก็ช่วยแต่อ่าหลวงมีผมมีประจําใจผมมีพระอาจารย์สุชาตินะครับอภิชาตุที่รู้ับแล้วก็หลวงพ่อหลวงปูอินถะไว้ครับหลวงป่อินอยู่วัดตานะคําน้อยเป็นแบบนี้รู้จักกันรู้จักกันใครอยู่วัดเดียวกันอ๋อครับไปอยู่ด้วยกันที่ัดตานะท่าสร้างอะไรนะสร้างอา ปฏิสภาณลงปูงมั้นอยู่ในวัดท่านแล้วอยู่ในวัดตากบารมีของท่านครับผมก็เออก็ช่วยช่วยช่วยกันไปครับในห้าบาทสิบาทก็ช่วยกันครับวัดจะได้ทําครับเราทําเพื่อตัวเราไม่ได้ทำเพื่อเจดีย์เราทําเพื่อเราจะได้มีบุญติดตัวไปครับบนเจดีย์มันก็อยู่ในโลกนี้น่ะมันกไม่ได้ไปไหนเดี๋วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็พังไป ครับบางพระอาจารย์ว่าเออต้องมีแต่บุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไปผมก็ทำให้มีมีเหตุแท้ทำบุญเท่าไหร่ทําไปเลยทําได้ทําไปเลยนะครับตอนที่ผมกลับบ้านไปก็ทํากับทำแต่ทุกวันนะกับทุกวันนะครับที่ผมกลับบ้านไปนแต่ว่าครับว่าจะเข้าไปหาพระอาจารย์อยู่ครับแต่ก็ยังไม่มนนีก็เลยยังกลับมาก่อนนะครับอ่าไม่เป็นไรนี่ก็เลยเจอกันตรงนี้แล้วก็เพลนะิน ผมเห็นอาจารย์ผมได้เข้ามาประชุมใ น, นชุมนี้ก็มีกำลังครับมีกาลังในการทำงานแล้วก็เป็นจากที่เคยเจ็บปวดว่า อ, อกแอดก็ไม่เป็นอะไรนะครับโอเคดีอ่าตอนนี้ก่อนนะครับขอให้อาจารย์ทานขันแข้งแรงครับโอเ<ะ>อคุณไปหาคุณหมอหน้าเก็บคุณหมอตาเป็ยไงคุณหมอ กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะครับเพลินวันนี้ยังติดภารกิจเล็กน้อยครับจริงๆเสร็จพอดีครับแต่ว่าถ้าเกิดกลับไปที่บ้านอาจจะไม่ทันเดี๋ยวนรถก็เลยกลับพระอาจารย์ตรงนี้ก่อนครับอ่าดีครับไม่ทุกไม่วุ่นวายกันไรเลอนะก็ใช้ทํามะนำทางค่ะพระอาจารย์มีมีมีถ้ามีทุกข์ก็พอใช้หลักธรรมะมันจะลงเร็วค่ะพระอาจารย์ ก็มีบ้างครับเวลาทางโลกมายุ่งเหยิงงานการงานยุ่งเหยิงครับก็แต่ก็พยายามจะยึดสติไว้อย่างที่พระอาจารย์แนะนําครับแล้วก็พยายามเหมือนเดิมพยายามนั่งสมาธิให้มากขึ้นจะได้ไม่ตายเด็กๆในห้องสูงครับพยายามใช้ธรรมะแก้แก้ปัญหาความทุกข์นะอย่าไปใช้ย่างอื่นอย่างอื่นแก้ไม่ได้น่าจะกลายเป็นปัญหาตามมาอีกทีพยายามจะทําทานศีลภาวนาที่พระอาจารย์สอนค่ะให้ครบ พาพาอาจารย์พบอาจารย์ทกการเยนแงพากรับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะจะได้กลับบ้านก็ได้นะใช้เวลาขับรถตลาดครึ่งชั่วโมงไม่ขับบ้านใ้ประมาณสิบนาทีครับผมสิบนารติดไมเนี่ยไม่ไม่ติดยังตอนเช้านะที่ชนบุรีไม่ติดค่ะโอเคไปที่อุดรคุณ ปัญนาปัญัา น, นี่สงบตลอดเวลาไม่มีปัญหาน้องการนมสัส ก, กร า, ารนะคะอาจารย์มีปัญหาก็นำธรรมะของพระอาจารย์เข้ามาใช้ค่ะได้ประโยชน์สุดๆเลยเจค่ะพระอาจารย<า>์กขอบพระคุณนะเจ้าคะ่ะก็ปล่อยวางันั้นเองปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาก็ปล่อยปล่อยมันเป็นไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปใช่ค่ะรู้แต่มองว่าสิ่งนี้เกิดเดี๋ยวมันก็ดับค่ะ มันก็จบไปเลยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ลูกท่องไว้อะค่ะพระอาจาบอกว่าสักแต่ว่ารู้ก็คือรู้เฉยๆไม่ต้องคิดลูกเลยว่าถ้าเราคิดต่อมันก็ไม่ใช่รู้เฉยๆสินูก็เลยไม่คิดอะไรต่อเลยค่ะดีก็รู้เฉยๆเลยไม่ไปปรุงอะไรต่อใช่ไหมคะถ้าเราไปปรุงแล้วถ้าเราไปปรุงมันก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆ ใช่แลค่ะแต่ว่าก็ต้องฝึกไปเหมือนกันค่ะฝึกไปก็ประโยได้ประโยชน์สุดๆเลยค่ะยังหมดที่จะคิดไม่ได้นะก็มันทันมากขึ้นค่ะคือดีขึ้นในชีวิตดีขึ้นมากๆเลยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะแต่ก็ไม่ทุกแล้วนะคะพอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยเจ้าค่ะแสดงว่าไม่เสียเวลานะต้องเข้ามานี้หลายปีนะไม่เลอเจค่ะสุดๆเลยค่ะบอก บอกทุกคนเลยค่ะว่าถ้าไม่มามีพระอาจารย์ก็คือไม่น่าจะเป็นคนได้แล้วค่ะน่าจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะกรขอบพระคุณพระอาจารย์ม<พ> า, ากๆเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณค่ะอ่าคุณเอกเชียงรยการรำลึการพระอาจารย์ครับผมเป็นยังไงครับก็ปฏิบัติทุกวันอยู่ครับพระอาจารย์ครับออือได้เลยบ้างปฏิบัติทุกวันได้เลยบ้าง ได้ความสงบครับพระอาจารย์ครับคำทุกไม่มีคำพูดร้ายใจไม่มีนะก็มีอยู่ครับถ้ามันมีมาก็ใช้ไตลากก็ครับที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ครับก็น้องประมาหาไตลากครับอาจารย์ครับพอมาพอมีไตลากมันก็หายไปเลยครับครับผมแล้วก็เหมือนกับที่พระอาจารย์ได้เทศไว้ฮะพุทโธนี่มันมันมันพิเศษมากครับเวลามันมีความกิริขึ้นมาโผล่พุทโธพุทโธมันก็หายไปเลยครับอาจารย์ครับเกิดเป็นยังลบ เป็นการเราเขียนอะไรไว้เราอยากจะลบไปก็ใช้อย่างลบลบมันออกไปครับผมครับเมื่อก่อนจะมีทุกข์กับความคิดที่มันขึ้นมาครับอาจารย์แต่ตอนนี้มันผูดมาก็พูดโทพูดมากรับพุทโธพุทโธไปมันหายไปครับอาจารย์เอถูกต้องครับใจได้ว่างใจว่างแล้วใจก็จะเย็นจะสบายครับผมครับก็ช่วงช่วงเช้าว่าตอนนั่นสมาธิก็เออ่ ดูลมลมมันก็หายไปก็ก็สั ก, กแต่ว่าดนะูครับอาจารย์ครับก็ดูดูมันไปครับก็สักก็รู้ไม่ไ ม, ไม่มีลมลมมันหายไปเนะครับอาจารย์ครับมันนิ่งมันนิ่งไหมมันนิ่งสักแต่ว่ารู้เฉยๆไนหะมครับก็สักสักแต่รู้ว่าคือมันเป็นก็ไม่ได้หลับนะครับอาจารย์ก็ก็ดูไปมันไม่มีลมก็ก็รู้ว่าไม่มีลมครับลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหยาบก็รู้ลมหยาบแล้วความทิดตุ้งแต่งยังมีเยอะอ่ะ ก็บางทีมันก็ผุดขึ้นมาครับก็ผุดขึ้นมากับฮัลพูโธะเขาใส่ครับอาจารย์ยังต้องสู้คนต่อไปยังไม่สงบเันที่อ๋อครับผมเอก็ที่เรายังไม่มีความคิดเลยนู้นเฉยๆเย็นสบายครับครับผมก็ไปถึงตรงนั้นก็บางกีมันมันก็ออกมาครับอาจารย์ถ้ามันออกมาก็ก็ก็ใช้เอปราช้าสิบหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ที่มีศพสิบอย่างนะ ใหม่ไปตั้งแต่อูตั้งแต่แอตั้งแต่ตายตายไปครัจนถึงเอ่อโครงกระดูกครับอาจารย์ครับถ้ายังถ้ยังดิ้นอยู่ก็ดูที่นาโครงกระดูกตัวเองครับอาจารย์ครับก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้าอ่ะครับอืบางทีก็ไม่ทันถึงมันก็มันก็นิ่งไปครับอาจารย์ครับก็อยู่ต่อได้อีกครับอาจารย์ครับครับ ก็ปฏิบัติอย่างนี้บนบนไปครับอาจารย์ครับครับผมต้อกราบขอบคุณพอาจารย์มากย่าสาธุครับผมวันนี้ไม่มีคำถามเขามารับฟังครับพอบถ้าันพระอาจารย์แข็งแรงครับผมทุกครับคุณสุปิน ญ, ญานอา้คุณน้มใช่ไหมรบสวัสดีคับพระอาจารย์ ว, วันนี้มีหนึ่งคำถามจะถามค่ะพอดีสร้างบ้านแล้วช่วงนี้หงุดหงิดมากเลยค่ะแต่รู้ว่าใจหงุดหงิดแต่ก็ยังคิดมีอีกใจหนึ่งก็คิดว่าอยางหงุดหงิดเลยปล่อยไปบ้างมองช่างช่างมันบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสมองมันสั่งงานหรือว่าเป็นที่อีกใจหนึ่งก็จิตเยจิตัวเดียวกันแต่มันคิดไปทางอีกทางหนึ่ง ทางหนึ่งก็คิดไปทางยึดติดอีกทางหนึ่งก็คิดให้ปล่อยวางคือ uh oh. ธรรมะ ก, กับกิเลสกํำลังสู้กันอยู่แล้วฝ่ายนั้นชนะเล่ะฝ่ายปล่อยวางหรือฝ่ายกิเลสก็บางครั้งเวลาโกรธฝ่ายฝ่ายธรรมะก็ชนะค่ะบอกให้ตัวเองว่าหยุดอย่าทําอะไรอย่าเถียงนั่งนิ่งๆอย่างนี้ครับ อ, อืแล้วพอหยุดแล้วมันเย็นไหมล่ะมันใจมันก็ยังร้อนอยู่<ต>ครัแสดงว่ายังไม่หยุดจริงะ แต่แต่ไม่ได้ทําอะไรคนอื่นนั่งนิ่งๆไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดอะไรอแต่ในใจยังฮืดอยู่ย่ง <S <S> ใช่ค่ะร้อนเป็นอยัอง ย, ยังไม่ยอมยังไม่ยอมอยุดเป็นเดียหยุดไม่ไม่ไม่พูดไม่ไม่ทําอะไรแต่ใจยังไม่อยู่ใช่ค่ะอืมพยายาให้มัน ening, ใช้พุโทโธเสิ่ถ้าเราไม่อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็อยู่อ๋อค่ะหนาจะพยายามให้มากกว่านี้ค่ะอาจารย์ เพียแต่สามมันอย่างเดียวมันยังไม่ยอมหยุดเนี่ยใช่ค่ะเพราะกิเลสมันยังมีกําลังมากกว่าสติเรายังมีกําลังน้อยกว่ามันมาเลยไม่หยุดถ้าอยากให้มันหยุดเราต้องพุโทโธพุโทโธสร้รางสติขึ้นมาในตอนนั้นเลยได้ค่ะโอเคค่ะขอบเุณ okay. ค่ี่บางทีถามได้คาตอบไหมยังคะที่ถามนี้ได้คําตอบไหมยังได้คําตอบแล้วคะ่ะถ้าเกิดขึ้นอีกหนูจะพุโทโธ เ <Okay. S 2> แลรารอจนกว่าใจจะเย็นลงออย่ารอต้องพูดโถไปเรื่อยจนกว่ามันจะเย็นแล้วค่อยหยุดพูดเถอะมรียก <Okay. S 1> พูดเถอะสองคำคำแล้วจะรอให้มันเย็ น, มนไม่เย็นนะได้ค่ะเราพูดโถพูดโถไปเรื่อยไม่สนใจมันจะเย็นเมื่ อ, อไหร่ถ้ามันยังไม่เย็นเราก็พูดโถไปเรื่อยๆพอมันเย็นแล้วมันจะงสึกเบาสบายขึ้นมาแล้วค่อยหยุดได้มันน่าจะใช้เวลานานาน่าดูเลยคะ่ะก็ไม่น่าแล้วแต่แล้วแต่ ้<ะ>ถ้าเราไม่ได้อยากให้มันเป็นขึ้นมามันก็จะอาจจะเร็วถ้าไปอยากแล้วมันก็ยิ่งไม่มันก็ยิ่งไม่เป็นใหญงั้นอย่าไปอยากให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างเดียวได้ค่ะอย่าไปอยากให้มันเย็นเรอยู่พุทโธยิ่งอยากให้มันเย็นมันยิ่งยิ่งไม่เย็นใหญ่เพราะเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้วได้ค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวรำไปปฏิบัติค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ตาดูคุณาา ส, สุภัพตา ดีจ้าเอ้คุณแดนเนี่ยกลับไปได้เหรอกลับนัมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะและขอแปลงความเสียใจกับครอบครัวเป็นฝด้วยค่ะเอ่อคุณแดนเนี่ยยังไม่กลับค่ะเดี๋ยวจะกลับเอวันจันทร์นี้เจ้าค่ะกลับไปเห็นเขาบอกว่าจะกลับไปไปเอ่อไปจัดการที่อเมริกาไปขายบ้านขายทุกอย่างเพื่อจะมาอยู่ไทยเจ้าค่ะ เขาบอกว่าเขาอยากอยู่แถวอ่แถววัดยานเขาชอบที่เรียกว่าบางบางสะเลยเหรอจ๊ะค่ะบางสะเลบางสะเลเอาเจ้าค่ะได้ละค่ะเขาเขาไปเขาไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาชอบมากเขาก็รู้สึกว่าได้ไปหาพระอาจารย์ใส่บาตรตอนเช้าได้ประมาณขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณสิบนาทีสิบห้านาที <15 S 2> าทใช่เจ้าค่ะแล้วก็ขึ้นไปวัดยานสะดวกก็เลยสนใจที่จะหาคอนโดอยู่ที่นั่นเจ้าค่ะอื แล้วค่ะดีก็ก็เห็นเขาว่าแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณสองเดือนกลับมาก็คงจะหาคอนโดอยู่ตรงนน้นนะเจ้าค่ะนั่นเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะสนใจส่วนของลูกอ่เออที่ลูกที่ลูกไปสอบอ่สอบไว้ที่สมัครงานนะเจ้าค่ะก็ ผลสอบคือลูกไม่ผ่านลูกไม่ได้ลูกไม่ได้มาหาอะไรที่นั่น <c oughs> ก็พอได้พอได้อ่านอีเมลก็รู้สึกเสียใจยนะคะยอมรับ ว, ว่าก็เสียใจยแล้วก็เสียใจยยยแปบ๊บเสียใจยแป๊บหนึ่งนะคะเสียใจรู้แล้วทีนี้พอเสียใจยไปรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนือ่อยที่จะทุกข์ก็เลยก็เลยเลิกเสียใจเสียใจแล้ว พอเห็นพอพอประมาณประมาณรู้สึกเสียใจประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วรู้สึกมันเหนื่อยแล้วเราจะไปเสียใจทำไมรู้สึกมันเหนื่อยที่จะทุกข์ลูกก็เลยเลิกเสียใจเยสบายใจขลยใช่ใช่แล้วก็เลยคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปสมัร ก็เดี๋ยวไปสมัครที่อื่นไปได้เรื่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าถ้า ม, มัวจะคิดที่เดิมมันทุกแล้วมันเหนื่อยก็เลยไม่อยากเหนื่อยดีมีปัญญามีปัญญารู้สึกมันมันเหนื่อยอะเจ้าค่ะทีนี้พอพอพอเสร็จพอมองวันลุกขึ้นกับกลายเป็นว่าเ อ, อมีมาหาลัยอีกที่หนึ่งเจ้าค่ะติดต่อมาบอกว่าพี่เจา้านาลูกอยากให้ลูกอยากให้ลูก ทำที่นี่เจ้าคะ่ะคืออีกอีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่ที่ลูกสอบเด้อเจ้าคะ่ะอีกที่หนึ่งเขาติดต่อมาเขาบอกว่าพิจารณาคือเขาอยากให้ลูกทำที่นี่เจ้าคะ่ะลูกก็เลยกลายเป็นว่าลูกกับได้งานก็ดีถ้าได้สองงานจะทำให้ทุกข์อีกเพรารู้จะเลือกอันไหนดีเลยเจ้าคะ่ะก็เลยขาตัวเองว่า เออเราก็ตลกดีนะเราก็เลิกทุกเร็วแล้งพอพอมาอีกเช้าหนึ่งก็เอาได้งานอีกที่ใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงอะ่ะที่พระอาจารย์บอกเลยว่ามันทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกข์อะไระดีเราต้องอยู่อย่างอยู่ในความทุกข์ให้ได้นะโดยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการไม่แน่นอนกับทุกสิ่งทุกอย่างใช่เจ้าค่ะมันมันเปลี่ยนเร็วมากจนลูกเห็น ความเปลี่ยนแปลงของอานิจจังมันมันเร็วมากเลยก็เลยรู้สึกว่าโ อ, อ้ที่พระอาจารย์พูดคือถ้าเรามัวแต่ไปทุกตรงนั้นแปลว่าคืนนั้นลูกทุกทั้งคืนมันก็จะมันก็พอเช้ามาได้อีกการหนึ่งมันก็ ม, นกม่นบอกว่าเราจะทุกทำไมทั้งคืนดีชด่วงนีเราเราแค่ทุกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ไม่ข้ามคืนข้ามวันแสดงว่าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยก็เลยตัดการทุกได้เร็วขึ้น บางคนอะทุกเป็นเดือนทุกเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ก็มีบางคนทุกแล้วทุกเก็งทุกอยู่นั่นนะเพราะคสั่นสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกน้อมนํามาแล้วลูกก็นํา <c oughs> น้อมนําตลอด <c oughs> ฟังพระอาจารย์ที่บอกให้สันโดดยินดีตามมีต้องเกิดแล้วก็เอามาแล้วข้อสอบมาแล้วเราเราเราสอบไม่ผ่านเอาไม่เป็นหลังถ่ายการหายหายไปไม่ใไม่ใช่เป็นสัญญาณหรือบปล่าไม่ทราบ อาจารย์พอได้ยินแล้วพอได้ยินนล้วน่าจะเป็นสัญญาณมากกว่าว่ามันการการหายหพยพูดพูดได้ตอนนี้ตอนนี้ได้ยินนล้เมื่อกี้พระอาจารย์พูดอะไรเจ้าค่ะขอขอขอซ้ําอีกทีได้ไหมเจ้าค่ะเมื่อกี้ลูกไม่ได้มันหลุดไปซําไม่ได้นะไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวลูกยังกลัเหมือนไปเรนนี่จังเลยนะ ยอนกลับย้อนกลับไปดูวิดีโอฟังฟังใหม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวจะค่อยย้อนกลับไปเจ้าค่ะผมยังพูดว่าไม่ได้ยินเสียงมากกว่าไม่ได้พูดอะไรอ๋อเจ้าค่ะก็ก็คําที่พระอาจารย์สั่งสอนเจ้าค่ะลูกก็น้อมนาแล้วก็เอ่อคําว่าสันโดษนี่ลูกแบบพยายามเจอทุกข์มาเยอะแล้วเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกมันเหนื่อยไม่อยากจะทุกข์อะไรมันก็เลยปล่อยดีแสดงว่าเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วเห็นนักเลยสันไร ทุกไปทำไมทุกแล้วมันได้อะไรเช่นตอนนี้มีหนังสือเล่ใหม่ของอาตมาที่มีพระชาวต่างชาติเข้าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาตั้งชื่อว่า w h e Suffer ทุกทำไมใช่ค่ะแล้วพอเวลามันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าพอดีลูกเจออะไรมาเยอะแล้วพอมีช่วงหนึ่งพอเวลาเวลามันทุกเนี้ย คำของพระอาจารย์จะขึ้นมาอยู่คำหนึงที่บอกว่าให้มองไปถึงสุดทางคือทุกเดี๋ยวมันก็ถึงเอาถึงสุดทางจริงๆทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ต้องจบที่ตายอ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยรู้สึกว่าเงินเราก็ี่ยไปคุกเลยเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายคื อ, ค, อคือเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างมันก็จบตรงตา ย, ตายอ่ะเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งไปหมดอยู่นี่ใช่เจ้าค่ะนี่แสดงว่ามีสติมีปัญญา คือธรรมะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่มันใจเราบางทีมันลืมไปไม่ไม่คิดถึงมันแต่ถ้าคิดถึงมันได้เมื่อไหร่มันก็กลายเป็นปัญญามาดับความทุกข์ใจเราได้ใช่เจ้าค่ะลูกลูกลูะยิงคำเนียวว่าไปจะไปแบกไว้ทําไมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ต้องปล่อยสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยทุกคนเส้นสุดท้ายมันก็ต้องจากตายตรงนั้นยแม้แต่น่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยใช่ไหม มันจะไปอะไรกับเอ้แค่งานแค่นี้เงินเดือนแค่นี้ใช่เลยะแบบแต่ก็แต่ก็เสียใจนะเจ้าค่ะตอนแรกก็เสียใจอยู่ประมาณชั่วโมงสชั่วโมงแต่มันเหนื่อยก็เลยอย่างนี้เหนื่อยไ้อาไว้ทุกก่อนปัญญาถึงจะเกิดทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนก็คงเสียใจตามตามตามตามกิเลสที่มันรู้สึ ก, กว่าเอ้ทาไมเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสจ้าค่ะแต่ก็ ถ้าคุณบบได้สติได้สติขึ้นมาใชเจ้าค่ะมาอาจารย์กลาบขอบพระคุณพอเห็นทุกข์ปัญญาแล้วเริ่มเดินทันทีเลยเรากําลังทุกข์อยู่อะทุกไปทําไมได้อะไรโเคมันก็สุขดีเจ้าค่ะแล้วก็แต่ที่อาจารย์สอนมันก็สุขดีแล้วมาทําให้เรารู้สึกทุกข์ทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยไม่เอาเลยที่เกลียดทุกข์เกียด คลายมันไปกับทุกเรื่องนะต่อไปทุกอะไรก็มันเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากจะทุกกับอะไรนะถ้นะมามันเป็นเป็นหลักสูตรของเราหลักการตอบโต้<ม>กับการกับความทุกข์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกันบเราพอแล้วนะ พ, อนะพอไม่เอาแล้วทุกข์มันเหนื่อยอเกลียดเหนื่อยกัช่องมันนะที่เกลียดทุกขก์กกทุกข์ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกข์ค่ะสาธุสาธุคุณหมอภาสนะต่อ หมอเนี่ยก็ยังเดินสายอยู่นะกลับอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็เดินห้าวันพระวันเสาร์อาทิตย์บุญเลยไม่เป็นไรพระอาจารย์เดี๋ยวไปวันธรรมดาแต่ว่าอาทิตย์หน้าไม่ได้ไปเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะพาคุณงพ่อไปทําบุญนะคะพระอาจารย์จะไปอุดรไปหาหควงพ่อจัเรียนหลวงพ่อบุญมีแล้วก็ไปบึงไปบึงกาดบึงกับครูบาอาจารย์เนี่นได้ไปกาศนะแล้วก็หลวงปู่บุญมาด้วย่ค่ะ ก็กล่าวเป็นบูปไปวนวนหลวงเพราะว่าเวลาไม่รู้เหลือเท่าไหร่ก็อยากให้คุณพ่อทำบุญให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าคุณพ่อจะห้ามแบบนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ภาวนาไม่ค่อยได้อ่ะท่านจะอยู่เยอะแล้วก็แบบหลงหงนิดนึงการเห็นสมณะการเห็นสมณะเป็นมงคลกอย่างยิ่งเอทำหน้ากับพระอันนี้หนึ่งในมางคลข้อที่แปดก็คือการได้พบปะสมณะได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพาท่านไม่เหมือนใครเห็นท่านแล้วมันมันต่างกับเห็นบาพระทั่วๆไปกิริยาการของท่านนี่มันไม่เหมือนกันนะท่านเห็นหน้าหน้ากายว่าหน้าเขาโล้หนหน้านับถือดีมันเหมือนกระแสมันต่างกับคนธรรมดาเหมือนขนาดแค่ขนาดแบบใบฟังคือแบบ ไม่ทราบเหมือนกันเขาเขาใกล้มันเหมือนกับแบบโคบัณฑิตใช่ไหมคือพระอาจารย์นี้ <S 2> <S 2> ม, นมันลงแบบแล้วพอกลับมาที่บ้านอะมันก็แบบดูซิว่ามันเหมือนตอนน้นไหมก็พยายามโฆษณาตัวเองขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆอะพระอาจารย์ก็เลยอยากให้คุณพอ่อคุณพ่อทําบุญไว้เยอะๆเพราะว่าไม่รู้เวลาของใครไปก่อนกันไม่รทราบก็เลยกลับไปพระอาจารย์ว่าเดือนพฤษาไม่ได้เข้าแล้วเดี๋ยวเขาจิตตุลค่ะตั้งใจทาแล้วพระอาจารย์ตั้งใจทำให้คุณพ่อได้ทําบุญกันแต่อย่างภาวนาไม่ได้จะทำบุญก่อน ทำบุญฟังธรรมนะคะก็เลยก็ไปทำไปทาบุญแล้วก็ฟังเทศนี่ขอบพระคุณมากขอบพระอาจารย์พี่หนุ่มก็ตั้งใจทํามาซึ้นเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มก็ดีขึ้นค่ะเราก็เนเก็เป็นคนช่วยคนอื่นเขาได้ทําบุญเป็นสะพานบุญเราได้เจอพระอาจารย์เราโชคดีในชีวิตแล้วก็อยากให้คนอื่นแต่ว่าไม่ได้อยากแบบนั้นคือแบบให้ให้เข้าบุญนะแต่ว่าไม่ผักดันตะางสมัยก่อนจะบังคับ ตัวไมืก่อนเป็นตัวเองเข้าบังคับมากเลยเดี๋ยวนี้ต้องรู้กก็ไม่บังคับค่ะให้เขามีศรัทธาอย่างนี้ไปอย่าไเปบังคับเขาให้เขาปลีนจากอินทรีย์เป็นพลาใช่ไหมที่พระอาจารย์บอกเพิ่มศรัทธาโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คุณซันนี่แบงค์เเป็นไงยังทือสินแปลงเยอะอ่า ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วจากสิ่งเจ็ดตอนนี้กลับมาสิ่งแปดได้แล้วค่ะ<ม>ก็อาการปวดหลังดีขึ้นก็เลยกลับมานอนพื้นได้แล้วค่ะ <Okay. S 2> ก็เป็นสิ่งแปดแล้วก็เ อ, อทานอาหารเริ่มทานอาหารเป็นมื้อเดียวแล้วก็ไม่กินเออ่หลังจากเวลาอาหารก็คือไม่กินน้ําไม่กินน้ําอื่นยกยกนอกจากน้าเปล่า้า<ม>ําที่พระอาจารย์บอกค่ะ อดีไหมช่วยตัดความรู้ความอยากได้เยอะค่ะก็เหมือนไม่ต้องวุ่นวายเว้ยจะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะอก็ตัดความไวุ่นวายได้ค่ะแล้วก็ตัดความอยากได้แต่ก็เอ่อที่พระอาจารย์บอกว่าให้ลองรับประทานอาหารกับขนมรวมกันนะคะหนูก็ไปลองมาแล้วค่ะแต่ว่าใจไม่กล้าพอที่จะเป็นขนมแบบ เป็นเป็นน้ำก็เลยลองเอ่ออาหารกับลูกชุบค่ะข้าวกับลูกชุบตอนกลางวันค่ะก็แค่แค่นั้นนะคะพระอาจารย์รู้สึกว่ายังแพ้กิเลสอยู่เลยค่ะกิเลสในใจมันแบบต่อต้านมาบอกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้เือเพื่อให้เรากินอะไรก็ได้ไม่จู้จี้จุกจิไม่ต้องเรื่องหารอาหารหิวเมื่อไหร่ไมื่อไหรกินก็กินมันข้าวเปล่ากุ้งน้ําปลาก็ยังอร่อยนะ ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามกินแต่ก็ก็คิดว่ามันมันกินได้เพราะว่ามันก็คืออาหารเหมือนกันค่ะก็พยายามบอกอย่างนี้แล้วก็กิน<ม>กินไปเออก็ยังฝืนใจอยู่แต่ว่ามีอยู่คำานึงที่เหมือนแบบเหมือนรู้ค่ะว่าเออจริงๆแล้วกินเข้าไปอะ่ะมันก็คือเหมือนเข้าไปในปากแล้วมันก็ที่เราบอกว่ากินไม่ได้เป็นลดนู้นลสนี้มันต้องแยกอกะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแค่ เอ่อการปรุงกับเวทนาของเราที่รู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วมันทําให้กลายเป็นเอ่อความทุกข์ในใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทําให้เกิดไม่อยากนูนเกิดควา ม, มอยากความไม่อยากขึ้นมาทาให้กลายเป็นคนกินยากไปที่เราปรสงค์ที่พระเจ้าให้เราฝึกแบบอยู่ง่ายกินง่ายเพรต่อไปถ้าเราไปเป็นนักบวชนี่ยเราก็จะได้ไม่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าพให้เราอยู่ยังไงก็ได้ให้เรากินอะไรก็ได้ค่ะคระอาจารย์ หนูก็นึกถึงตอนที่บอกพระอาจารย์ว่าที่ตอนปวดขามากแล้วมันแยกมันแยกออกได้ว่ามันเป็นแค่เวทนาไม่ใช่ตัวเราอะค่ะก็เลยแบบลองลองคิดแบบนั้นก็ได้ไ ด, ได้แค่คำคำเดียวค่ะคำก่อนสุดท้ายก็ค <c oughs> อาหารเราก็ไม่ได้กินหรอกร่างกายเป็นคนกิน <c oughs> เราเพ็นงแต่มารับรู้รสชาติของมันได้มันเป็นยังไงแต่คนกินไม่ได้เป็นเรา เ, ร, เราเป็นคนป้อนเอ า, อาหารให้ร่างกายร่างกายมันกินเองไม่ได้ เราก็ป้อนอาหารให้มันแต่เราไปจู้จี้จุกจิกแทนร่ากงกายทั้งที่ร่างกายมันไม่ไม่แครให้มันกินอะไรก็ได้ใ ช, ใช่ไหมร่างกายก็ไม่ใช่เราใช่ไอือนะใช่ค่ะตแต่ว่านะต่อไปเราไม่ได้กินเราไม่ได้กิ น, กนคนกินคือร่างกายแต่คนป้อนคือคื อ, ค, อคือเราเราไปป้อนอาหารให้มันเองแล้วเราก็ไปเลือกอาหารให้มันจู้จี้จุบจิกไปเสียเวลาเปลา ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็ไม่กล้ากินขนมกับข้ากับมื้อกลางวันอีกเลยค่ะคือมื้อกลางวันไม่มีขนมเลยแต่ว่าข้าวก็ยังคุบอยู่นะคะก็หมายถึงว่ามีกับอะไรก็คือจะเอามารวมกันในจานเดียวอะค่ะคือเป้าหมายก็คือให้เราฝึกไว้เพื่อจะกินง่ายๆเผื่อเราไปอยู่ที่ที่เราไม่สามารถเรื่องอาหารได้เขาให้เราเร า, เราก็กินไปอย่างไปเป็นพระเป็นนักบวชเงี้ยก็ แ้แต่ใครจะใส่บาอะไรมาก็กินไปตามมีตามเขืดอนได้ไม่เดือดร้อนใช่ค่ะเมื่อกี้ฟังน้องตะวันยังรู้สึกโอ้ยน้องยังคิดได้ขนาดนี้ยังเด็กอยู่เลยเรานี่ก็ <laughs> เราแพ้เด็กซะแล้วเจอจะพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์รักษาได้รักษาไปนะทินงแปกัป็นกายนายกระดับจิตชั่งน้อยสูงขึ้น ไห้เราอยู่ง่ายขึ้นอยู่อยู่ง่า น, นอนง่ายกินง่ายเอ่ไปเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่ไม่ไม่ลาบากอยู่ได้ทุกทุกรูปแบบกินได้ทุกรูปแบบค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะพยายามฝึกเจริญสติสมาธิด้วยค่ะก็ช่วงนี้ก็เอ่อยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ค่ะพระอาจารย์จะพยายามให้มากขึ้นค่ะท้าครับสุกจากการนั่งสมาธิดีที่สุดเป็นการสุขที่ไหนียความสุขทั้งปลอมนะ ค่ะพระอาจารย์น้อมไปปฏิบัติ 8, ขอบพระคุณค่ะอย่าคุณทิทีิมาในงานยังสิ้นเจนอยู่สิ้นหาอยู่ค่ะอจารวันนี้ได้เจ็ดค่ะเพราะว่าต้องทานยาค่ ะ, ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้สินสิบแปตวันนี้โอเคปฏิบัติจะไหวเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มีวันไหนมีวันไหนได้สินแปด้องไหม อ, อช่วงนี้ทานยาค่าะอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ได้สิ้นแปนเลยเหือแคนเจ็ด <7 S 1> ใช่ค่ะเชิญอาจารย์อาจารย์น้าตแงาาขงแรงนะค ะ, ะอ่าคุณไอโฟนคุณสารธรกาเชิญถ่นหน้าค่ามาะมาฟังทมค่ะอาจารย์ปฏิบาาัติค่ะอาจารค่ะคุณอุษากับคุณดิชยานราี่ว่า ธรรมตการค่ะอาจารย mm hmm. อา์อันดุยมย ม, ยมนั่งฟังที่เขาสุนทนามาทั้งหมดนะคะอาจารย์ยมก็เออนะเราก็มาได้มาเทียบตัวเองค่ะอาจารย์อย่างทุกใช่ไหมคะยมส่วนยมรายงานอาจารย์เมื่อวันพุทธที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยมคิดว่าพอเราคิดได้เนี่ยแล้วก็เรานาั่งทำไมรู้สึกว่ามีความหนักแน่นในใจอะค่ะอาจารย์ ก็ตอนเช้ามาก็ได้คิดว่าการที่ผ่านมานั้นทุกของโยมโยมดับด้วยแค่สติพอมีสิ่งเลาเข้ามาโยมก็จะไปทุกต่ออย่ามันไม่ได้หายสัทีเดียวค่ะแต่พอเรามาใช้คําว่าอุเบกขาเรามองมันเป็นอนัตตาทุกอย่างมันก็รู้สึกนิ่งแล้วยิ่งมาฟังธรรมอาจารย์วันพระค่ะที่ว่าดับทุกข์ด้วยสติกับดับทุกข์ด้วยปัญญาโยมก็มาเข้าใจว่าอ๋อพอเราดับทุกข์ด้วยปัญญาเรามองทุกอย่างให้เป็น ใจรัก ใ, ใ, ใช่ใค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันชงเลยร ใ, ใช่ค่ะมันนิ่งค่ะอาจารย์แต่มันมีเจอนะคะเจอขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกปุ๊บเราจะโกรธเราก็รีบวเรากำลังจะโกรธก็มาเป็นเมตตาก่อ น, อนคะ่ะอาจารย์เมตตาแล้วก็มาเป็นอุเบกขาแล้วก็พอมาฟังอาจารย์พูดในเทศนะคะเทศค่ะโยมก็มาทบทวนดูคําว่าใจรักเมื่อก่อนโยมก็จะงงว่าอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตา อานิจจังเข้าใจอนัตตาเข้าใจทําไมมีทุกข์อยู่ตรงนั้นยมก็ว่าอ๋อถ้าเราเปรียบเทียบอุปมาใช่ไหมคะว่าเออเป็นตาช่างสองแขนทุกมันอยู่ตรงกลางเรามองให้เป็นอานิจจังแล้วก็อนัตตาถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันยมเข้าใจถูกไหมคะใช่เพราะเราจะไม่ไปเปลี่ยนมันเราจะไม่ไปอยากให้หมันมันไม่เป็นอาน dulu, ิจจังไม่เป็นอนัตตาเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันเป็นอนัตตาเราก็จะทุกข์ ันาเราไม่มีความอยากเรารู้เฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์ค่ะพอเอามาใช้ปุ๊บพอมันมีรู้สึกเราเริ่มจะโกรธปุ๊บเราอ่าเรากําลังจะโกรธเราก็ใช้เมตาก่อนค่ะอาจารย์ใช้เมตาก่อนจากเมตตาเรา ก, ก็มาเป็นอุเบกขามอ ง, ง, งว่ามองว่ายังไงมองว่ามันมันไม่เที่ยงยอมรู้ว่ามันไม่เที่ยงเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะอ่เป็นอะนัตตา ค่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ เ, ไไดเราเราเอาตรงนี้มาอยู่เลยค่ะเอาเปล่าเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเราเองได้ค่ะอยมจะไม่ค่อยรู้เรื่องบาลีค่ะจันยมก็เอาตัวเองเนี่ค่ะเป็นันาัาง่ายๆค่ะอืมถูกต้องปล่อยพอยใจเป็นอุบายค้าได้ก็ปล่อยวางได้ใช่ค่ะคือพอรู้สึกปุ๊บมันมันเร็วขึ้นค่ะจารย์พอรู้สึกปุ๊บเรากาลังจะโกรธเรากําลังหงุดหงิดก็อ๋อเราก็เปลี่ยนค่ะ ยมพยายามใช้แบบนี้ยมไม่เข้าใจบาลีอย่างเมื่อกี้ที่น้องเขาพูดป่าช้าสิบนั่นยมเออเราก็เคยทําแต่เราไม่รู้มันคือป่าชา้ายมแค่กําหนดจนกระทั่งร่างเป็นร่างกายแล้วก็กลายเป็นดินแต่ความตอนนั้นยมทดลองเรื่องทุกยมแต่ยมทุกยมไม่หายจนยมนมาเป็นแบบนี้พอมาฟังคําตอบอาจารย์เทศล่าสุดเมื่อวันพระที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ว่าดับทุกข์ด้วยสติก็เหมือนกับเอาหินทับหญ้าค่ะอาจารย์ พอไหนที่มันมีสิ่งเรามันก็จะเกิดขึ้นมาอีกทุกนั้นจะเป็นอีกแต่พอเราตัดมันเป็นแบบนี้ได้เราก็จะไม่จะไ ม, จะไม่จะไม่ทุกข์กับมันค่ะรู้สึกบาค่ะเบาใช่ใช่มันเป็นตายรากมันจะไม่ทุกข์กับอะไรค่ะคือส่วนตอนนี้ตอนการนั่งภาวนาของโยมมันไม่ค่อยได้เต็มเ น, น็ตเต็มหน่วยเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยแต่ว่าโยมก็ใช้วิธีการมันกับพอเรานิ่งปุ๊บมันก็รวมไปเองอ่ะจัง มันรวมเองหรือที่ไม่ได้นั่งภาวนานะคะแค่ใจนิ่งปุ๊บมันก็นิ่งมันไปเพราะว่าอ๋อมันก็ได้อยู่ค่ะยมก็ยังสี่แปดอยู่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์น้ําหนักจากหกสิบเหลือสี่สิบเจ็ดแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ทุกกับมันค่ะอาจารย์โรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเรื่อน้อยลงน้าหนักน้อยลงโรคภัยก็น้อยลง่ก็ไม่ได้ทุกข์ค่ะแล้วก็พออาหารการกินที่อาจารย์น้องเขาบอกว่าคลุกกัน โยก็นั่งขำตัวเองบางทีนั่งกินข้าวลูกค้ามาไม่กินขอโทษนะไม่กินก็ได้ลุกขึ้นลุกขึ้นเลยค่ะจ้ะประมาณนั้นค่ะ<ม>เพราะมีอะไรก็กินกินไปแต่ถ้าให้หาได้ก็หาอยู่นะคะแต่ถ้ า, าไม่ได้ก็เอาตามที่มีค่ะอ่เนี่ครับไม่ทุกกับการกินแล้วกันสลกุกง่ายๆใช่ใช่ค่ะบางวันข้าวยำสองหอก็คื อ, อจคบค<อ>นะ่ะแบบนั้นมีตามเกิดไม่ได้กินได้ก็กินไปใช่ค่ะแบบนั้นได้มาก็หาไปค่ม ถ้ามีโอกาสหาก็หาอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่าไปวุ่นวายกาัการหาก็แล้วกันค่ะหาตามมีตามเกิดไปที่แหว้งไม่มีอะไรให้มากคะ่ะอาจารย์ที่แหว้งก๋วยเตี๋ยวยังไม่มีให้ขายเลยคะ่ะอาจารย์แล้วก็สถานการณ์ที่บ้านตอนนี้คือแบบพอหกโมงปุ๊บเข้าบ้านจะไม่ออกไปข้างนอกเลยคะ่ะอาจารย์อยู่นิ่งไม่ปลอดภัยยามยามค่ำคืนนะใช่ค่ะที่นี่จะมีเสียงระเบิดอะไรบ่อยๆ ย, ย, ยิ่งใกล้ลอมบาร์ดอนอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต้องต้องอยู่บ้า น, นะคะ่ะ ยมก็คิดว่าแผนนี่ว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดเดือนพฤษภายมอาจจะได้ไปเข่าชีโอนค่ะจย์ันไปได้ก็ดีสาธุไปอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันไม่ได้จริงจังเลยค่ะเดี๋ยเวลามากเลยค่ะจันมต่ก็จําเป็นขอบพระคุณพากกันสาธุอ่างไรนิตยาไหายังดีขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่า<ห>เวลาลุกนั่งก็ยังมี ตองว่าลุกขึ้นนั่งเวลายืน อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีปวดปวดแผลบ้างค่ะแต่ว่าเดินก็ยังเดินได้ไม่เท่าตอนปกติอะค่ะพอาจารย์มันเกิดถ้าเดินานานๆก็จะเริ่มมึนหัวความดันต่ำค่ะต้องค่อยๆปรับค่ะอย่าไปฝืนร่างกายร่างกายมันเจ็บป่วยก็ต้องดูแลมันไปก่อนอาจารย์บางทีใจก็อยากจะแบบเดินสามครั้งเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเดินสามครั้งปุ๊บกลายเป็นความดันมันตก คือใจมันก็อยากให้รู้สึกว่าเราไหวค่ะแต่ปรากฏว่าไปดูวัดความดันดูเขาไม่ไหวกับเราด้วยค่ะพอาจารย์เรดูกําลังของร่างกายนะอย่าไปฟื้นมันได้ค่ะพระอาจารย์มีคําถามค่ะพระอาจารย์คืออืตอนที่วางยาสลบนะคะพระอาจารย์แล้วพอฟื้นขึ้นมาความรู้สึกแรกที่หนูจําได้คือมันเป็นภาพที่เขาบอกว่าโอเคออก ออกจากห้องโออออกออกจากห้องได้แล้วเดี๋ยวไปพักฟื้นต่อคือเขาจะกําลังหนูจําได้คือตอนที่เขาเข็นมาแต่ว่าจริงๆแล้วพยาบาลเขาบอกค่ะว่าจริงๆอะค่ะเขาปลุกหนูนานแล้วค่ะแล้วก็ให้ลืมตาหลับตากระพริบตากำมือแบมือค่ะแต่หนูจําภาพนั้นไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์เลยสงสัยหนูสงสัยว่าอืมตอนนั้น ตอนนั้ น, นคือมันคืออาการตอบโต้ของเราหรือมันยังเป็นอาการเฉลิมเฉลอยอยู่เรายังสติสัมปชัญญะยังไม่เต็มเต็มที่เหมือนเพิ่งหลับเพิ่งตื่นอยู่ไม่ต้องไปกังวนลหรอกแบบคิดว่าเออหรือเพราะว่าสติหรือว่าตอนนั้นมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ น, นั่นแหละเป็นเพราะสติเรามันไม่สมบูรณ์มันขาดขาดขาขาดเกินเกินมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างสลับกันไปสลับกันมา มาปฏิบติประต่ะตอกันใช่มันก็เลยทําให้เราคิดว่าเหมือนจาไม่ได้หายไปเลยใช่เออเอาเวลาเราก็หายไปเลยจำไม่ได้หลับกลับไปหลับในบางครล้ก็กลับมาตื่นไงเงี้ยครื่องหลับครื่องตื่นก็เลยอ๋อค่ะไม่ต้องกังวลอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายที่มันเป็นเหตุที่ทําให้จิตต้องเป็นอย่างนังไงดูกลับมาอยู่ในปัจจุบันแต่อดีตผ่านไปแล้วนะะ ได้ค่ะพ่อขอบ พ, พระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ปัจจบุบันให้รู้เฉยๆไม่ไไม ต, ต้องไปวมตกกังวลไม่ต้องอะไรแต่ว่ารู้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้ค่ะอาจารย์กำลังฝึกอยู่เหมือนกันค่ะอืมอทุกอย่างมันเป็นตายรักเป็นหมดในปัจจุบันในปัจจบุจจบันสิ่งต่างๆก็เป็นตายรักทั้งนั้น คือยิ่งยิ่งช่วงนี้พอผ่าตัดแล้วยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันบางทีรู้สึกกังวลขึ้นมาค่ะแล้วบางทีมันทําให้ไม่สามารถเข้าสมาธิได้หรือไม่สงบเลยบางทีใช้วิธีว่ามองบางทีมองเข้าไปหรือไม่ก็พยายามสวดมนต์สวดมน<อ>ต์ก็เป็นตายรักแบบนี้เสนะแล้วก็บางทีเขาหายไปเองค่ะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปข อ, ข, อของเขาเองเราไปควบคุมบังคับบสั่งเขาไม่ได้ ให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ใช้วิธีว่าเขาก็าดับไปให้เห็นแต่ละวันทุกวันก็เห็นว่ามันก็ความทุกข์มันก็ดับไปค่ะแล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นภาวะสงบปกติมันก็เลยรู้สึกว่า อ, อมันเป็นแบบนี้แต่ว่าระหว่างนั้นมันก็ทรมานอยู่ค่ะพระอาจารย์ระหว่งที่เรายังไม่ได้ปล่อยมันก็ทรมานพอปล่อยได้แล้วมันก็หายทารมาน บทเขาจะปล่อยเขาก็ปล่อยของเขาเองนะคะจะใช่ไหมคะมันเอ่าไม่แน่หรอมันก็แล้วแต่ว่ามันเนี่ยที่คุณสุภัชตามบอกมันมันมันเหนื่อยมันก็มันก็ป่อยอาจจะเหนื่อยก็ได้ค่ะแ้ายังถ้ายังไม่เหนื่อยก็มันก็ยังมันก็ยังดึงไมาอยู่มันก็ยัง้างมันก็ยังล้างมาอยู่เแต่พอเหนื่อยแล้วไปทุกข์กันทำไมแล้วปล่อยมันก็หายไปค่ะอืม ก็ดูไปดูในปัจจุบันพยายามบอกมันเป็นร่างหน้าตาอย่างที่แม่บอกเราไปควบคุมบังครั้ไม่ได้ตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าพยายามให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วใจเราควรจะไม่ทุกขาา์กับมันได้คะ่ะอาจารย์ช่วงนี้จะเป็นแบบนี้บ่อยๆค่ะยิ่งเหตุการณ์หรือว่าอะไรแบบแบบนี้ยค่ะมันจะเป็นช่วงค้ำๆทุกวันค่ะแต่ว่าก็ปล่อยก็ดูเข้าไปว่าเออมันเป็นแบบนี้พยายามปล่อยไป เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราจะไปทําอะไรได้ก็ให้รู้เฉยๆไปได้ค่ะโอเคนะขอบพระคุณค่ะคุณมาเลยไม่รู้ว่ามีเพื่อนมาวัดเป็นอยู่ที่ธรรมา น, นเดียวกันวัะคนที่เขาเคยมาบ่อยแนละ้วมานานแล้วหลายปีนล้วสาวหลวงพ่อค่ะอดีที่เขาบอกว่าเขาจะไปไปฟังคำหลวงพ่อหก็เลยฝากไปะได้รับของแล้วก็ามาถวายให้นะ ค่ะห่อแล้วแพี่เขาก็บอกปลื้มใจแบบดีใจเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรอ่าเงี้ค่ะหลอแต่จําได้ว่าเขามามาทําบุญหลายปีแล้วนะให้หน้าก็บ่อยเขาหนวงพ่อเขาบอกว่าเขาเคยมาฟังหลวงพ่อตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเขาอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเขาติดเล่าติดเล่ามากเลยแล้วพอไปฟัง ธรรมะหลวงพ่อแล้วเหมือนหลวงพ่อสอนว่าตัวเองยังไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักคบกลับมาเขาเลิกเลยหนูบอกหนูก็เพิ่งทราบว่าเขาขนาดนี้เลยอะไรเนี้ยตอนหลวงพ่ อ, อค่ะและทุกวันนี้เขาก็เลิกตั้งแต่วันนั้นมาถึงทุกวันเนี้ยค่ะอื้งแต่าาธรรมะพระเจ้าในมีอันพราณุภาสมาสามารถเป็น ค, คนได้ค่ะแล้วเขาก็มานั่งฟัง ฟังรู้สึกเหมือนพขจะได้ทําอะไรนะคะอันเล็กๆค่ะทําได้หรืออะไรสักอย่างค่ะก็ได้เขาไม่ได้ใช่ใช่ค่ะมันน่ะเขาฟังหลวงพ่อตลอดนะคะเขาเล่าให้ให้หลวงพ่ออืมค่ะเออแล้วเวลาเป็นยังไงตอนนี้ปฏิบัติก็โอเคนะเพี่งคนค่ะหลวงพ่อวันสองวันนี้หนูสู้แบบสู้แต่มันมี้ความสุขค่ะหลวงพ่อ คือมันสองช่วงช่วงที่ช่วงที่สงบกับช่วงที่พิจารณาค่ะหลวงพ่อมันจะแยกกันช่วงที่สงบอะค่ะเหมือนเอกําลังสมาธิอะค่ะหลวงพ่อเวลาช่วงที่เข้ามาเองกําลังสมาธิมันขึ้นขึ้นสูงมากๆเนี่ยตัวมันตัวเหมือนจะแตกตัวเหมือนจะตึงทั้งหัวทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วก็พอเข้าปุ๊บเขาก็จะแยกแยกกันเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วแล้ว ร่างกายมันเหมือนเป็นก้อนก้อนหนึ่งส่วนไอ้รู้เนี่ยมันก็จะรู้รู้ของมันแต่ว่ามันเหมือนหนูสู้สู้เขามากๆเหมือนกําลังสมาธิมันมันสูงมากจนเหมือนที่หนูเคยเรียนหนูงพ่ออาทิตยอนว่าหนูแท้แต่มาตอนเนี้ยหนูก็ยอมเลยะคะ่ะหลวงพ่อหนูแรกเลยว่าเป็นไงก็เป็นตายก็ตายอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อแ ล, แล้วพอเสร็จอนะคะ่ะหนูก็สู้จากตัวที่มันตึง ตัวที่มันเหมือนจะแตกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ไม่สนไม่สนเลยคือมันแยกกันชัดเจนแล้วแล้วจิตเนี่ยมันจะไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่าไม่ได้แต่ช่วงที่จังหวะที่มันต่อสู้กันนะค่ะหลวงพ่อมันเห็นมันเห็นกิเลสของตัวเองเห็นโทสะอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนจะจะจะหลุดไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วอีกอีกตัวหนึ่งจิตเนี่ะของมันก็บอกว่าให้วางอเให้วางโลภโทสะโมหะ ไม่ต้องแบกออกไปไม่ต้องถือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลนพ่อและอีกตัวหนึ่งมันก็ทำทาตามก็มคือปล่อยทิ้งร่างกายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลนงพ่อจากตัวที่มันหนักหนาแน่นหนักหนักเหมือนจะแต ก, ก, กมันก็เริ่มเบาเริ่มเบาเริ่มแบบใจแบบใจสุขใจสงบแบบดีเลยค่ะหลวพ่อแล้วหนูก็มันเหมือนมีแสงที่มากระทบที่หน้าแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะว่า ไม่ให้ไปสนใจที่หนูพ่อสอนว่าไม่ให้สนใจอะไรที่ที่เราจะรับรู้รับเห็นอะไรเงี้ยหนูก็ไม่สนใจจนกระทั่งหนูปล่อยจนจิตสงบเบามีความสุขจนพอคลายออกมามันเห็นนะคะหนูพ่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เ้าเรียกว่าเออไม่เที่ยงเป็นทุกแม้กระทั่งล่างก า, ายของเราเราก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอย่างเงี้ยค่ะหนูพ่อแล้วมันไม่มีสิ่งอื่น อะไรที่มีคุณค่าหรือว่าจะมาผูกมัดใจเราได้เท่ากับธรรมะค่ะหลวงพ่อแล้วใจมันสุขมากแม้กระท่งหนูออกมาแล้วอ่ะมันจิตมันยังเป็นสมาธิอยู่เลยค่ะหลวงพ่ อ, อคือหนูห น, หนค่ะลดทั้งธรรมยานลดทั้งปวงสองวันนี้ค่ะหลวงพ่อหนูมันเพิ่มจากจากิดนั่งจะนั่งแป๊เดียววันวันจันนั่งแบบนี้ค่ะไม่มีวกแวกไม่มีหลุด อนี้ค่ะหลวงพอ่อชั่วโมงครึ่งแล้วพอมาเมื่อเมื่อวานเนี้สองชั่วโมงหนูแบบมันมันสบายใจมันสุขใจบอกไม่ถูกเลยนะค่ะหลวงพอ่อแล้วก็เห็นเห็นแล้วว่าอย่างอื่นมันมันไม่มีคุณค่าเท่ากับอันเนื้อค่ะหลวงพอ่อที่ใจมันรับได้แบบนี้ค่ะหลวงพอ่อหนูหนูก็เลยแบบ มีเวลาเล็กน้อยหนูหนูเก็บหมดเลยค่ะหลวงพอ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วยิ่งทํามันก็ยิ่งเสริมค่ะหลวงพอ่อมันยิ่งคือมันมีกําลังใจอ่ะค่ะหลวงพอ่อว่าเราทําแล้วมันมันขยับข ย, ยื่อนไปในทางที่ดีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อโอเคนะํตาต่อไปค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะคุณอา่อาคุณจุบโกเม เป็นไงตอนในญี่ปุ่นหนาวยังไื่ยังไม่หนาวอ๋อสองนมรมการพระอาจารย์เจ้าค่ะสองสามวันนี้เริ่มร้อนขึ้นมานแล้วค่ะคือยังคุยกับคนญี่ปุ่นด้วยกันเลยว่าที่นี่พอหนาวแล้วก็คือร้อนเลยมันมไม่มอุ่นครบอาจารย์ปกติช่วงเวลานี้ซากุระใกล้จะบานแล้วใช่ไหมค ะ, ะแต่แบบปกติถ้าใกล้จะบานอย่างนี้มันก็จะยังหนาวหนาอยู่แต่ว่าสองสามวันนี้นี่คื อ, อกลางวัน สั้นได้เลยเจ้าค่ะพะจ๊ะไม่ค่อเข้าสื่อดูดลแลนั่นนะอนนี้ค่ะก็ก็ก็ปีนี้อากาศแตกค่ะเจ้าค่ะ อ, อันเียวอาจจะกลับมาเย็นหน่อก็ได้ไม่แน่ยังไม่เข้าเลยดูแลตอนนี้ยังอยู่ช่วงไมไม่ผลิอยู่เนี้ยค่ะซากุระก็คือ ย, ยังเป็นแค่แค่ <Spring. S 2> ดอกกลุ่ลมๆอยู่เลยเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรไหม ไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ยังเจ้าค่ะยังปฏิบัติเหมือนเดิมก็ปฏิบัติเหมือนไม่ไม่เชิงเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็คือปล่อยวางมากขึ้นค่ะอาลงแต่แตเ่ตเดิมนี่ก็คือทุกคือเราเราตั้งความหวังเกินไปจนมันทุกข์จนตอนก็เลยรู้สึกว่าเออก็ปล่อยวางทําไปเรื่อยอย่างนี้แหละถึงแะ เราจะไม่เข้ากระแสก่อนที่ก่อนที่อพระอาจารย์ที่เราเคารพและรักจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราทําอย่างนี้ไปมันก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเราไปในชาติหน้าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้ทุกข์กับลูกหรือเปล่าเรื่องทางโลกตอนนี้หนูไม่ค่อยทุกข์กอาจารย์กับลูกไม่ใช่ทางโลกลูกกับลูกสาวบลกโลกลูกที่ไม่สบาย ก็ไม่ไม่ทุกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดได้แค่ไหนได้แค่นั้นนะคะอืตามเหตุปัจจัยของเขาแล้วก็คือเราแค่พยายามทําให้ดีที่สุดก็พอเจ้าค่ะดูแลเขาให้ดีที่สุดเละคะ่ะต้องดีขวบแล้วตอนนี้ตอนนี้หละคะยี่สิบค่ะพระอาจารย์อ๋อยี่สิบตัวนะอืมค่ะเป็น ว, ว<ะ>นานไหมยังเป็นเป็นเอ่อเช่นเรืองในสมองแตกไหมเหรอเจ้าค่ะอ่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะ นี่คือห้า <5 S 2> 1. 1> เดือนค่ะหาเดือนนะค่ะก็วันนี้หนูเพิ่งไปคุยกับคุณหมอมาคือเดือนหน้าวันที่สิบเจ็ดมั้งคะจะให้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านได้แล้วเจ้าค่ะแต่เขาก็ยังต้องนั่งพยายามของเขาอืมก็ก็พยายามทำกย า, ายภาพไสภาพไปอะค่ะพระอาจารย์ เ, า เ, าเาขาเขาพอที่จะช่วยช่วยตัวเขาเองไ่ า, ายใชก็ดีกว่า แต่เดิมมากเลยเจ้าคะพระอาจารย์อตอ น, นแรกนี่ทําอะไรไม่ได้นะค่ะก็อตอนนี้ก็คือมืออีกข้างนึง น, นี่ก็คือจับจับหลักยึดยืนกระยองยืนขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเราเดินจับตัวเขาด้านหลังเขาก็พยายามเขาก็เดินได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็คือทรงตัวเดินเองไม่ได้แค่นั้นนะคะก็ยังต้องกลับกลัมาทากายภาพฝึนืนอยู่นะเจ้าคะ่ะก็ตอนนี้ก็ ติดว่าเอ๊ะเราจะเลือกอยังไงดีเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขามีให้แบบว่าให้ไปส่งที่โรงงงพยาบาลก็หรือว่าจะให้นักกายภาพมาทำมาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูว่าตรงไหนมันจะดีกับเขาดีกับเราอะไรนี้ด้วยค่ะก็ดูดูกันหมีลูกีกคนสองคนนะคนเดียวคนเจ้าค่ะพระอาจารย์อีกคนนะสองค่ะอีกคนอีกคนตอนนี้จะเข้ามาหาไรคะพระอาจารย์ คนโตแล้วก็ลเล็กคนที่เป็นนี่คือคนโตค่ะออส่วนนี่ก็คือห่างกันสองปีเจ้าค่ะอืมกําลังเข้ามาหาลัยอายุสิบแปดค่ะเป็นผู้หญิงด้วยกันทุกคอใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นผู้หญิงทั้งคู่โอเคชีวิตกันต้องต่อสู้ไปนะทุกคนก็ต่อสู้กันไปเจ้าค่ะมันแล้วก็ทำให้ดีบุญแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนนะแล้วแต่บุญกรรมเจ้าค่ะอืมดีค่ะพระอาจารย์ที่หนูได้มารู้จักพระอาจารย์ค่ะ เพราะว่าคําสอนของพระอาจารย์นี่ช่วยได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ปัญหาทุกอย่างที่เจอมานี่ก็คือเออก็มีคําสอนที่ได้ฟังได้ยินมาก็ช่วยได้เยอะเลยเจ้าคะ่ะรักษาได้อย่างดีเลยคะ <Okay. S 2> ่ะ่รักษาต่อไปนะค่ะจับค่ะคนปุ้ยรักเสมอคนปุ้ยชอบถือศีลเจ็ดคึ้ง น, นะ สินแไม่ยอมถือทัอนทีการอาจารย์กลางกลางวันก็ถือสินเศษครึ่งตอนเย็นตอนเย็นโยมถือสินแปดโยมปฏิบัติดีนะคะไม่โยมก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีอะไรจะคิดนะคะในหัวสมองแล้วโยมก็พิจารณาว่าสินโยมก็เต็มแต่แต่แต่แตแต อ, อสมาธิโยมก็นั่งนั่งสมาธิคะ่ะทุกวัน จะจเฉพาะวันเนี้ยยมเป็นไรไม่รู้นอนแล้วมันก็ไม่ตื่นอ่ะพะาีาจันยมไม่แน่อืไม่ได้ยินอะไรเลยมันมีแค่วันนี้วันเดียวอืมยมมีความรู้สึกเหมือนผีหลอกออย่างเงี้ยก็ะโเข้ามาเนี่ยคะหรือว่าโยมจะกังวลเพราะว่าน้องหมา ย, ยมไม่สบายอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ค่ะก็เป็นอะไรก็ช่างมันฮนะให้รู้มันเป็นแล้วก็รับกันไปนผ่านแล้วก็ไปมันผ่านไป นายมก็ยมก็มีนั่งสมาธิแลว้วแบบจิตมันก็นิ่งขึ้นและเราก็รู้สึกแบบไม่รู้สึกกังวลแบบเวลาจะมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะแบบวิ่งเลยตะโกนเลยด่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบรู้สึกแบบชั่งใจตั้งแต่มามาอยู่กับพระจานทร์นี่ก็คือเราจะรู้สึกว่าเฮ้เดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสมองคิดก่อนเอะ จะตอบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้สติปัญญาก่อนเอ่อคือถอยดีไหมหรือเดินก้าวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ตั้งแต่ถือศีลมาโยมถึงบอกกับพระอาจารย์ว่าโยมไม่ออกจากธรรมหรอกโยมจะถือศีลเป็นปอย่างนี้แต่ว่าโยมคงจะไปอยู่วัดลําบากมีข้อเดียวคือว่าโยมเป็นคนกินเจพระอาจารย์และด้วยเหตุผลเนี้ยโยมถึงได้ไม่ได้ไปบวชทีกับเขาอะค่ะเพราะว่า โยมมีความชอบโดยส่วนตัวไม่ได้ความเชื่อนะคะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่ว่าโยมอยากจะกินเจแล้วก็เรารู้สึกสนุกสนานกับการกินเจแหละแต่แ ว, ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนเย็นโยมไม่กินนะมันเป็นกแเดมันเป็นกิเลสถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมต้องตัดกิเลสนี้ให้ได้แต่โยมไม่กล้ากินเนื้อสัตว์เพระวาจาจานมันมันมันรู้สึกอ่พอมันทำแบบมากกว่าสิบปีแล้วแบบ เรารู้สึกมันเห ม, ม็น่ะมันมันมันมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะเว่าเราไม่เคยกินมาตั้งนานแล้วอะพระอาจาร ย, าย์เนี่นยโ<ๆ> ย, ย, ยมก็เลยเกียดต้องเฉยๆก็นได้ทุกอย่างอืมแต่โยมก็เลยก็แต่ถ้าสิ่งแปดไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทานตอนเอเย็นโยมไม่เคยทานเลยไม่เคยทานนีไม่ผิดค่ะโยมไม่ผิดสิ่งแล้วโยมก็ ดีใจที่โยมได้คําสอนของพระอาจารย์ได้พระอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าโยมรู้สึกว่าเราสงบขึ้นเยอะเรารู้จักการพูดเรารู้จักการผลผลหนักเป็นเบารู้จักการถอยรู้จักการเดินรู้จักการก้าวนะยมถึงได้โยมถึงได้ตั้งเกียรติฐานแล้วว่าเราเดินทางธรรมแล้วปีนี้เป็นปีที่สามเราไม่ออกแล้วคือ จริงแล้วในฐานะนของคนอย่างโยมเนี่ยสามารถที่จะไปมีคูงมีแฟนมีบ้านหรืออะไรก็ได้มีคนเคยถามโยมนะเมื่อคําถามเมือม่อเมือม่อเมือ่อสองสามวันที่แล้วเธอไม่อยากเป็คู่หรอบอกมีไปทําไมอ่ะจะต้องมาเริ่มศูนย์อีกเพราะว่าเราเดินมาเนี่ยมาไกลแล้วและอย่างหนึ่งโยมมากกว่าห้าสิบแล้วยมไม่พร้อมหรอกที่จะไปตั้งต้นอะไรคือคือโยมคิดว่าโยมจะไม่มาเกิดแล้วโยมเดินทางธรรมแล้วค่ะอาจ า, ารย์แล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอาจารย์จะ ก, กี่ดพันปีมันก็ยมรู้สึกว่ามันมีค่าแล้วก็ใช้ได้ทุกวินาทีเลยค่ะใ่นี่เอาไปปฏิบัตินะค่ะทุกวันค่ะไม่ลืมเลยเ<อ>พระอาจารย์ยมพุทธโธเหมือนกินเข้าไปในเวลายมออกไปข้างนอกยมไม่ได้ท่องนะพระอาจารย์แต่ว่าคือเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยคำว่าพุทมันจะอยู่ข้างหน้าคำว่าโธมันจะอยู่ข้างหน้า คือยอมรู้ว่าแบบใดที่ยมก็ทำเดินทางทาเนี่ยยมจะรอดอ่าเป็นเป็นเครื่องคุ้มของเราดีแล้วอ่าระอาจารย์ว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวินาทีอ่ารักษาธรรมแล้วธรรมจะรักษาเราอ่ใช่ค่ะกราบขอบคุณระอาจารย์ยิ่งย้และทัดขันแข็งแรงค่ะประอาจารย์คุณปุ้ยมีาต่ความรลรวยนะ ค่ะขอน้มน้มรับพลังบุญกันน้าด่าสาธุเจ้าค่ะอ่าคุณยินดีค่ะคุณยินดีตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะค่ะท่านอาจารย์เดวิดไลมาค่ะท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอสเต็ตเหมือนเดิมค่ะค่ะลูกก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะก็อมาฟังนะมาเรียนรู้สนุกงา ก็ได้รับความรู้จักกันก็ได้รับความรู้จักกันในยานิมิตตันค่ะเราทุกคนก็ต้องมีทุกันไม่ทุกกับเรื่องนั้นก็ตองทุกกับเรื่องนี้นะใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างเนี้กันนะคะทุกคนเอาธรรมะมาสู้กับมันค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ัอย่างสูงค่ะคอนสเลนตันแมรี่แลนด์เซเวอร์สปริ กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะก็ช่วงนี้หนูก็ปฏิบัติ ด, ดีค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเริ่มสงบดีแล้วก็แล้วก็เวลาที่มันสงบเราก็เริ่มเห็นเห็น อ, อ่าไปในทางใจรักบ้างอะคะ่ะหมายถึงในระหว่างวันนะคะยังเห็นบ่อยๆไม่ยางเห็นบ่อยๆทุกสิ่งทุกทอย่างที่เราเสัมผัสรับรู้นี้เป็นใจรักทั้งนั้นใช่ค่ะพอมองไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกอย่างสมมุติว่าบางทีมันมีเรื่องอะไรในใจ อได้ยินเสียงเอหรือได้กลิ่นอะไรเงี้ยพอเรามองพิจารณาเป็นไตรักไปมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปทั้งหมดมันก็ไม่มแล้วมันก็ไอความคิดความปรุงแปลกความปรุงแต่งมันมันก็หายไปอ่ะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็หนูก็หนูก็คือเพลทเอาไค่ ะ, คะพระอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวสุขเสาร์อาทิตย์นี้หนูจะไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะที่เคยเรียนพระอาจารย์ไวอ้อะคะ่ะก็เลยที่เดิมที่เคยไปเลยใช่ค่ะพระอาจารย์ที่เคยไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ ก็เลยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อว่าไปถึงเวลาที่นั่นจะได้ทำเต็มที่ไม่ใช่อีกที่หนึ่งที่เคยไปแล้วต้องกลับมาการคันใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้มีเดินจมูกกับอันนั้นไม่ไปแล้วนะเห็นแล้วอันนั้นอาจจะกลับไปอีกนะคะแต่ว่าคือแต่ว่าหนูอยากจะให้แน่ใจก่อนว่าตัวเองปฏิบัติแนวเขาได้จริงๆก่อนที่จะกลับไปเพราะกลัวเดี๋ยวมันหลงเขาไปในอะไรก็ไม่รู้เนี้ยค่ะ อันนี้ปฏิบัติ <laughs> อันนี้หนูจะตั้งใจแต่ตอนนี้พูดโธหนูกลับมาแล้วนะคะหนูะระหว่างวันมันก็มีพุดโธพุดโธพดโธเราก็รู้สึกดีใจที่เออมีพุดโทกลับมาแล้วพอเวลาพุดโธมาอย่างความคิดความกังวลความอะไรที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มันก็สงบลงอย่างคะ่ะหนูก็เลยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาแล้วหนูจะได้ทาเต็มที่ค่ะอาจารย์อเ ีค่ะสี่วันนะสามเองค่ะหยุดวันหยุดวันศุกร์ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะโครงการเขามีแค่สามวันนะคะอาจารย์ก็ดีอยู่ใกล้ๆกลันะอยู่ใกล้ใกบ้านนะค่ะใกล้ๆประมาณขับรถประมาณไม่น่าจะเกินสี่สิบห้านาทีอ่ะค่ะอืมค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์เออแล้วก็คุณจิ๊บฝากมากราบพระอาจารย์ด้วยนะคะพอดีวันนี้คุณคจิ๊บ ค่าวันนี้พอดีไปรับเพื่อนกลับมาจากเมืองไทยอะค่ะแล้วก็ลงมาพอดีช่วงๆเวลาเนี้ยค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยต้องไปลาดก่อนนะคะพระอาจารย์ฝากด้วยนะคะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์แข็งแรงนะคะขอบคุณพระค่ะทุกท่านไม่เรคุณหิงขอบระการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มันนี้ปังทำไปก็นั่งยิ้มไปแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับทุกคนนะคะพระอาจารย์เพราะพวกเรามีพระอาจารย์เป็น ท, ที่พึ่งเจ้าค่ะแล้วทําให้ทุกคนเจ็นแล้วก็เปลี่ยนนิสัยกันได้หมดเลยเจ้าค่ะโยมก็เย็นขึ้นเยอะพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะทุกอย่างก็ยอะ ok ok ใช่คะ่ะใช่ค่ะยอมเปลี่ยนใช่เจ้าค่ะแล้วก็มองทุกอย่างเป็นไปรักแล้วก็เย็นจริงๆพระอาจารย์มันจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเลยเจ้ า, าะคะ่ะ คุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ <Yeah. S 2> คุณพ่อฝากความคิดถึงแล้วก็คุณพ่อวันนั้นคุณพ่อฝากปักใจไปถวายพระอาจารย์ห้าร้อยบาทเจ้าค่ะเ <Yeah. S 2> ค่ะพระอาจารย์ค่ะอคุณพระอาจารย์พระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์เจ้าค่ะค่ ะ, ค, ะคุณยอญิงอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมย อ, อยิงเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อมีอะไรไหมมีเจ้าค่ะเอ่อพรุ่งนี้ เอ่อจะบินเออจะบินไปสัตหีบแล้วเจ้าค่ะอ่าลงหมู่เกาะแล้วใช่เจ้าค่ะลงพิทัาษเก่าแล้วก็เอ่อวันมะรื่นจะพยายามตื่นไปที่วัดพระจานทร์เจ้าค่ะเอ่อหนูกับน้องทําอะไรบางอย่างไปด้วยเจ้าค่ะรอบนี้เต็มที่เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็จริงจรน้องเขาปฏิบัติแล้วก็ฟังพระจานทร์ถูกกลางวันแบบเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ เอาค่อนข้างเคร่งค่ะแต่ของหนูก็คือของหนูเรียกว่าถอยไปเลยหนูก็เลยกลับไปเริ่มต้นที่สิ่งที่ตัวเองชอบคือไปเรียนบาลีอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะก็ะไปเรียนตอนนี้ที่ลงเพราะว่าเขาสอนมหาสติปัฏฐานสูตรก็เลยลงเจ้าค่ะถ้าเขาสอนบทอื่นก็ไม่อยากลงอันนี้ได้หนังสือคุณหลาช่วยด้วยเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าดีเจ้าค่ะ แต่ว่ามันคนไม่ปฏิบัติยังไงมันก็คงไม่ได้เก็ตดีหรือเขา้าใจอนะไรมากมันช่วการปฏิบัติไม่ได้ใช่จ้ค่ะก็คิดว่าก็เรียนเป็นเหมือนภาษาแล้วก็ได้เข้าไปนั่งฟังเหมือนภาพรวมมากกว่าคือตอนนี้ใจเราเนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะปฏิบัติก็เรียนไปก่อนก็ได้ มันมีคำถามในใจตลอดค่ะว่าเมื่อไหร่จ้าจะพร้อมอ น, นั่นแหะเราต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองตัดสินใจแบบทีไรก็รู้สึกว่าเออเกรงใจตัวเองทุกทียังไม่พร้อมทุกทีนะ <laughs> แล้วค่ะก็คิดถึงพระอาจารย์แล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนค่ะก็มีขนมไปมฝากด้วยค่ะนรัส ก, การค่ะอย่างเราก็อค่อยคยศึกษามาหลายเดือนวันนี้มันก็ฉก ค, คิดขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่จะปฏิบัติสันที เอาตอนนี้เลยเลยต้องเอาตอนนี้เลยเริ่มไปเลยถ้าไม่ถ้าเรียนก็ไม่มันก็คือรู้รอบเฉยๆแต่ว่ามันไม่เข้าใจมันไม่มาทำใจให้สงบได้ต้องค่ะต้องปฏิบัตินะองค่ะโอเคถาดูอาจารย์สายทิพย์พี่นายอาจารย์เข้าบ้านแล้วเลยนั่งอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเปิดร้านแล้วเด็กก็เห็นนะเปิดในร้าน่ะว เพราะว่าถ้าไม่ไงั้นต้องถือมือถือขึ้นไปบนบ้านก็เลยนั่งอยู่ที่ร้านไปก่อนถือที่ร้านให้เสร็จก่อน ค, อค่อยค่อยเปิดแต่ปิดประตูร้านนะไม่ปิดค่ะปิดประตูหน้าบ้านเรียบร้อยค่ะแต่ประตูลังร้านก็ก็ปิดแต่ว่ามันอยู่ในบริเวณบ้านอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ปลอดอภัยดีมีอะไรไหมก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังพระอาจารย์แล้วก็ อ่าเข้าใจธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยิ่งทำยิ่งเข้าใจว่าอ๋อแต่ก่อนเคยเคยแบบฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ยังสงสัยคําบางคําสอนบางคําแต่พอเราปฏิบัติแล้วก็ยิ่งอ่านแล้วก็ทําก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเข้าใจความหมายทางธรรมมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เรียนเรื่องความทุกข์เกิดจากความคิดเราก็คิดให้ทุกข์เราก็เลือกทุกข์อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ธรรมะก็มีไว้ดับความทุกข์เท่านะั้นปัญญาวัญญาเนี่ยเป็นเภสัชเภสัชกรเนะี่ยธรรมะก็เป็นวัญญ า, า่ใช้รักษาใจตัวเองอ่าอ่าอย่าโมเดลขายย้ายคนอื่นแล้วเลยมัขายย้ายตัวเองนะ <laughs> ขายขายให้คนไข้ด้วยขายให้ตัวเองด้วยค่ะพขายใตัวเองเราธรรมะโอสถนะ<ข>สติปัาญญาเนี่ยสองตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญของธรรมะโอสถ ค่ะก็พยายามพิจารณาแล้วก็ฝึกสติพุทโธแล้วก็พอใช้ปัญญามันก็ก็ลงไว้ได้ไวดีค่ะพระอาจารย์พอเขาใจแล้วก็อ้อโอเคจบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์อะไรเท่าไหร่ค่ะโอเคปฏิบันนติอ่าสาธุค่ะอคุณมณิกาต่อมณินนกาลาทิวา แบบน้มันมาการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยารมมีอะไรไการปฏิบัติธรรมนะพระอาจารย์เพราะว่าในแต่ละวันพอ เ, เจอความทุกข์อ้านี่เกิดจากความอยากของเรานะแต่แต่ว่าทุกข์นั้นมันก็ยังเกิดขึ้นแต่ว่าก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะไม่ค้นที่ค้นหาวิธีการถ้าเราติดอยู่กับความสุขก็ มันก็ไม่ก็ไม่ได้อิงเหมือนกันก็คือก็ก็เข้าใจทันทีเลยว่าเหมือนพระอาจารย์เคยสอนว่าในเมื่อเราทุกเราก็ต้องมีความสุขอยู่กับความทุกข์นั้นเราก็จะมีความสุขเจ้ากับพระอาจารย์ดังนั้นการปฏิบัติก็ก็มันก็คล่องตัวขึ้นมาครับพรอาจารย์แล้วลูกไม่มีคําถามครับพระอาจโอเคําต่อไปนะเจ้าขาวพระอาจารย์อ่าบุญจอยพัทยาจอย ลูกชายนานอะไยังเก่าเหรอได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะพอไปเข้าห้องน้ำค่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่บ้านวันสุกพาไปใส่บ้านไปค่ะอเคปิดเทอมเอยนะปิดเทอมแล้วค่ะอยู่บ้านกันครบทุกคนอเอามาเล <ไป S 1> ายยังไยังไม่นอน ย, ยังไงหนุมน้อยน อ, นนอยอขอลงต้ก่อ<ม>นใช่ไหมอ่ะ จะไปอาบน้ำยังไม่หนอนเจ้าตอนเจ้าใส่บาตรม่เหมือนตอนนี้เลยตอนเช้าซื้อเบอร์งงอตลอดอ่าโอเคทุกคนมีความสุขนะตสุขค่ะสวัสดีคุณทับตาน้ำกราบอาจารย์ครับตอนนี้อยู่บ้านนะตอนนี้ไปอยู่ นนทบุรีครับอ่าเป็นที่พักของที่ทำงานจัดให้ครับผมโอเคเป็นยังไงไม่อะไรไหมอ่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณฝนด้วยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวกับผมยังไม่มีคำถามครับโอเคงั้นฟังไปก่อนนะรับคุณอ่าคุณฟางว่าอะไรตามนมัสการค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะ โอเคยังสามยออยู่นะอ๋อเส้นจุดเลยสามยอแล้วค่ะเ ล, ลเลย้เล ไ, ไม่ต้องใช้สามยอแล้วเลยต้องไปแล้วค่ะมาอัตโนมัติ่ะยิ้มดนทุกอย่างเลยนะค ะ, ย, คะยิ้มดนตลอดเวลานะคะโอเคดีอ่าคุณหน่อยเจียนิดไปเที่ยวไหนมาไม่โผล่เข้ามาเลยกรับมัสการพ์พระอาจารย์เจ้าค่ะ อ่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเจ้าค่ะแค่อ่าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วหน่อยไปนั่งฟังธรรมพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่น้ากุติเจ้าค่ะวันเสาร์ที่สิบ้าเจ้าค่ะอืมตอนหน่อยไม่ได้เข้าไปถวายของพระอาจารย์เจ้าค่ะให้ให้เด็กๆแล้วก็คุณยายไปแทนคือหน่อยไม่ค่อยสบายแล้วทีเนี้ยพอหน่อยเห็นตอนที่พระอาจารย์คือหน่อย หน่อยมองว่าหน่อยเป็นผู้หญิงหน่อยกลัวสะดุดล้มหน่อยเห็นคลิปที่พระอาจารย์ใส่บาตรตอนเช้าแล้วมีอืเกิดการกลัวแบบทําอะไระไม่ถู ก, กใช่ค่ะกลัวทํา <Okay. S 2> อะไรไม่ถูกต้องแบบกลัวแบบพลาดอะไรอย่างเงี้ยหน่อยก็เลยแบบนั่งได้ไม่มีปัญหาเลยเข้ามาก็ได้ไม่เข้ามาก็ได้เจ้าค่ะก็มีมประมาณนี้เจ้าค่าหน่อยก็ ขอฝากถึงแบบผู้หญิงทุกคนที่ฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าคือด้วยความที่แบบต้องระวังมากๆาอะค่ะคือพอมันมันพลาดไปแล้วอะ่ะบางทีมันคือกรรมที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็คือครูบาอาจารย์นะคะแล้วทีนี้พอมันพลาดไปแล้วแล้วทีนี้มันมันคือผลกรรมที่เราจะต้องได้รับประมาณนี้สักค่ะไหนก็เลยแบบ ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่สจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็เลยก็มีแค่ประมาณนี้จ้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หน่อยจะพยายามไปฟังทำพระอาจารย์บ่อยๆหน่อยจ้าค่ะแล้วก็วันพุธหน่อยฟังตลอดจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ามาบางทีเห็นมีคนเยอะอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้เข้าค่ะก็จะนานๆก็จะเข้าทีอย่างเงี้ยค่ะพยายามให้ได้ได้โอเคขากับ ไม่มีเจ้าค่ะโอเคองั้นเาท่านนี้ก่อนนะนะคะอ่าอะไรที่อาจารย์คุณหมอสุทัศนีเป็นยังไงสบายดีสบายดีเจ้าค่ะสบายกายสบายใจใจเจ้าค่ะมีความสุขเจ้าค่ ะ, ะนมัธมอยู่กับธรรม ะ, ยรรมะมพยายามควบคุมใจตลอดเจ้าค่ะดี ขอขอบคุณเจ้าค่ะอไปที่คุณบะนามบะนามเซเลมออริ Salem, <Oregon. S 2> กอนกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอ<ม>ดีลูกไม่สบายก็เลยนั่งฟังอยู่ด้านนอกเจ้าค่ะยัง<ม>ปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอเจ้าค่ะยังไปวัดอยู่เหมือนเดิมยังไปวัดอยู่เจ้าค่ะอาทิตย์นึง่งกีวันอาทิตย์นึ่งกีวัน สามวันเจ้าค่ะสามวันนะแล้วก็วันไหนบ้างวันพระวันเสาร์อาทิตย์นี้แล่ะวันอาทิตย์อ่อวันอาทิตย์วันจันทร์วันพระฤหัสเจ้าค่ะอแล้วก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติต่อเจ้าค่ะในวันพระไม่ไม่ไม่ไม่เป็นวันสาคัญใชวันวันพระเป็นวันอาทิตย์เจ้าค่ะแล้วก็จะมีเจ้าค่ะจะเป็นวันที่อ่านะคะัตเลิกอย่างนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์มีน้อย เรากำหนดวันอาทิตย์ว่าเป็นวันพระใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเพราคนหยุดทา ง, งานได้ช่วงนั้นนะเจ้าค่ะอย่างน้อยก็ห้าหกคนอย่างพวกหนูาทีเราประมาณห้าคนนะห้าหกคนเป็นอย่างน้อยเจ้าค่ะก็จะมีอ่าต่างชาติคนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์เป็น p รเ f e s s ร์จากอ่าลเลมิดยูนิเวอร์ซิตี้ของออริกันนะคะ อ, อยู่พอร์ตแลนด์แล้วท่านจะมาประจำมาอ่าเขาเรียกอ่า มักถทายยกฝ่ายชายจ้ะส่วนดูก็จะเป็นฝ่ายหญิงมีาพกี่รูปมีภาพกี่รูปตอนนี้มีภาพสองรูปค่ะสองรูปอยู่ประจำอยู่ประจําจ้ะค่ะแล้วตอนนี้กันจะมีมาจากที่อื่นบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพประจําทั้งนั้นเลยจ้ะค่ะที่จริงแล้วมีสามรูปแต่ทูกนิมนต์ไปจำวัดที่วัดลาวอยู่รูปหนึ่งจ้ะค่ะเมือเดียวกันนะ ก็พอดีวันลาวท่านที่นั่นขาดพระประจำวัดพอดีพระที่ประจำวัดอยู่ไปเมืองไทยเจ้าค่ะก็ไม่มีกําหนดกลับหนูไม่ทราบว่าติดด้วยเรื่องวีซ่าหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยนิมนต์พระที่นี่ไปจําวัดให้เจ้าค่ะตอนนี้พวกเอเมจเมนเทชั่นเขาจะมาคอยจับพระหรือเปล่าไหมล่ะอาจจะใช่เจ้าค่ะแต่ว่าที่นี่พระก็ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด แล้วก็เป็นซิติเซนทั้งหมดเจ้าค่ะหลวงพอ่ออันนี้แล้วก็แค่แค่มัวตวจขันมากนะมากเจ้าค่ะของหนูก็แพลนว่าจะกลับเมืองไทยก็สามีก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยรอให้เรื่องมันสงบก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่ได้เลยไปแล้วเขาไม่ให้กลับมใช่ค่เขาเขากลัวหนูกลับมาไม่ได้แต่แตอนนี้หนูก็เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ใช่ไหมหนูเป็นซิติเซนมาสิบสี่ปีแล้วเจ้าค่ะหลวงพอ่อ เขาก็พยายามให้หนูทําให้เรียบร้อยที่สุดเพื่อเขาจะได้ไม่ห่วงเพราะว่าเขามีโรคประจําตัวเขาก็จะพยายามให้หนูทําอะไรได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะถ้าแต่หนูก็ใหญก็มุ่งพวกต่อต้านด่างช้ามีมีกําลังมากนะเขาก็เลยออกเล่นออกเด่นใหญ่ค่ะหนูก็ยังแซวเขาว่าไม่ไปประท้วงที่แคปิตอลหรอเขาก็บอกว่า ฉันอั้นปัสสาวะไม่ได้พอดีเพื่อนๆเขาไปกันเยอะค่ะเขาก็นั่งประท้วงอยู่ที่บ้านเยอะค่ะก็โอเคอันนี้จำนะเราอันนี้จำทุกข่าวแล้วตาเจ้าค่ะก็จะบอกว่าดอกเชอร์รี่บลัซซั่มที่นี่บานแล้วเจ้าค่ะแต่หนูก็ไม่ไม่อะไรก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ไปปฏิบัติที่วัดก็หนูก็จะช่วงนี้ก็ อากาศดีหนูว่าจะไปนั่งตามคนต้นไม้มีแผ่นไม้ใบเดียวแล้วที่จะรองแค่กันยางสนจากต้นสนนะคะนั่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรความปวดมไม่ไม่ได้ของร่างกายไม่ได้ทำร้ายจิตใจเลยค่ะสุขสุ ข, ส, ข, ส, ขสุขดีจ้ะค่ะหลวงพ่อใจเป็นใหญ่นะรักษาใจให้ดีไว้จ้ะค่ะสงบดีค่ะสุขแล้สงบนั่งตรงไหนก็สงบตรงนั้นเลยค่ะ โอเคถ้าต okay. ัวกลับขอบคุณพระอาจารย์คุณพู่เป้เจริญปู่เปการนมัสการถวายพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะของหนก็ลุยได้เลยตามสภาพร่างกายที่ยังมีอยู่ถวายพระอาจารย์พระอาจารย์คะตั้งแต่หนูปฏิบัติมากับพระอาจารย์นะคะช่วงแรกๆที่หนูปังพระอาจารย์ใช่ไหมคะหนูเคยสงสัยอ่ะค่ะว่า ทำตัวเป็นแจวอะคะ่ะหนูก็เลยแบบหนูก็เลยเคยเอตตั้งแต่แรกต่วนใหญ่เขาอยากจะแบบเด่นเด่นดังๆั ง, ง, งเป็นแบบคนใหญ่ๆใช่ไหมเจ้าค ะ, ะแต่พอรุยปฏิบัติแล้วฟังธรรมพระอาจารย์มาพอได้เห็นกิเลสอ๋อหนูก็เลยเขา้เเขาใจว่าอ๋อกิเลสไม่ชอบแบบการที่เป็นต่ ำ, ต ำ, ตำๆ่ำแจวแจวอะคะ่ะพระอาจารย์ใช่กิเลสชอ ชอดอวดรวยอวดสวยอว ด, อดชอบสมบัติชอบชอบอะไรเลิศเลิศดาราอย่างเงี้ยค่ะกิเลสชอบมากเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยอ๋ออย่างนี้ค่ะยิ่งอะไรที่สวยสวยเลิศเลิศกิเลสชอบแบบหนูก็เลยเห็นแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โนก็เลยเข้าใจอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะพระอาจารย์ไม่มีใครชอบเป็นเป็นแจ๋วไม่มีแค่อวดแจ๋วมาวันนี้ฉันเป็นแจ๋วไปรับใช้ที่นั่นที่นี่ใช้ค่ะโ อ, โอกิเลส นางไม่ชอบเลยค่ะอะไรที่ต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราเข้าใจว่าต่ำแต่จริงไม่ต่ำนะคะมีความสุขทางใจจริงๆพระอาจารย์ต่ำทั้งโลกแต่สูงทางธรรมยิ่งต่ำเท่าไหร่ทั้งโลกยิ่งสูงทั้งทัธรรมนั่นเพาะอัตาตัวต่อัตราตัวตนมันน้อยลงไปเรื่อยี่อัตราตัวตอนยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าธรรมยิ่งยิ่งสูงเป็นทั้งนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นโอ้โหของดีของพระอาจารย์แบบ สุดยอดเลยค่ะพระอาจารย์ได้เห็นทางใจจริงๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบอ๋อที่แท้ที่ต่ําๆหนูก็เลยเข้าใจเลยค่ะว่าที่ต่าๆนี้คือใจเราจะมีความสุขอย่างนี้นี่เองเพราะกิเลสมันไม่ชอบค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยได้ดีใจที่ได้ทำจากครูบาอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ย ก, ก็เลทยทำใจเป็นเจวไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะสาธุาโอเคอบคุณก มันก็เป็นแจว่าแล้วยังเป็นเป็นเจ้านายอยู่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่เป็นเจ้าของร้านอยู่หมหรอกาลังกำลังกำลังเซฟหมดเลยว่ากำลังเซฟคำว่าจาเลยว่ายิ่งต่ำทางโลกยิ่งสูงทางธรรมก็โดยส่วนตัวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแจว้ะส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็มีเจ้าของร้านบ้าง เวลาใครบ้างหึงก็จะองอดแบ่งคุเป็นเจ้าของร้านไงก็จะใช้อํานาจบ้างเม้ น, น, นั้นอยู่ไม่ได้เช่นแบบว่าเหมือนไม่กี่วันจะมีกลุ่ น, นักการเมืองเข้ามาแบบช่วยบริหารจัดการว่าเราจะเลือกตั้งนะเนี่ยแบ่งไอ้นี่ให้ร้านเราทําอันนี้ให้อีกร้านหนึ่งทา <c oughs> แล้วก็บอกคําสั่งว่าแบบเออ ใจเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต อ, อบเลี่ยงๆไปโดยที่ว่าให้เราไม่กระทบกระเทอือนเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้พึ่งกันเมืองอะไรเงี้ยครับอืก็พูดกับเข้าไปดีๆแต่ไม่รู้เขาจะกิดไหมก็ทํางานข้าวไปเป็นปกติซื้อมาขายไปแต่ว่าเหมือนเหมืนเขาบอกคําสั่งเราโดยทั้งที่เราไม่ได้เป็นลูกน้องเขาอะไร่งเงี้ยครับอ๋อเลยรู้สึกไม่สบายใจตรงนั้นนะ ใช่แล้วเราก็เราก็บอกว่าเออานเราเยอะเรามีคิวถ้าใหญ่เข้ามาตามคิวอะไรเงี้ยครับอ่าด้านหลักคนขายของก็ต้องบอกลูกค้าเป็นเจ้านายเสมอเข้ามามงนมาให้เราเราก็ต้องเราต้องอ่อนน้อมถ่อตัวต้อนรับเขาให้ดีหลักๆ ก, ก็เป็นอย่า ง, งานั้นครับอ่าแต่ว่าอยากอยากยากขายดีเราต้องทําตัวให้เป็นแจ๋วลูกค้าเป็นเจ้านายเรา <laughs> ถ้าเราถ้าเราทำตัวเปนเจ้านายลูกค้าเจลูกค้าเขาลูกค้าหนหดจริงๆแล้วว่าอาจารย์เราก็ออสมมติเออเราพูดแรงไปไหมหรือสื่สารให้เขาเข้าใจไหมบางบางทีแบบว่าเหมือนไม่ได้คิดเรื่องการค้าอย่างเดียวมาคุยเรื่องผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์เลือกตั้งอะไรเงี้ยครับอืมันใช่แต่ว่าอาจารย์ให้สติมากเลยเพราะช่วงนี้ก็พยายามไม่ ไม่แลงใส่ลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าก็แบบต้องจะเหมือนเรามีช่องว่างเงี้ยเขาก็เขาาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบพยายามจึงช่องว่างจากเราเนี่ยครับแล้วก็<ม>ต้องทําตัวเป็นแจ๋วให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่แล้วตัวอย่างจะเรียบร้อยดีครับจะได้ไม่ขัดกับใครแต่เราก็ยืนมุนหลักของความถูกต้องนะสุดจริญซื่อสัตย์สุดเจริญใั่คือเราพอพ อ, พ อ, พ, อ, พ, อพอเรามีหลักการเนี้ย เวลาเราร่วมงานก็คือจะยากแต่ว่าเราเข้าใจตัวเองแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจเราทุกทุกอย่างไหมยถ้าล่วมใครไม่ได้ก็ทํำเราไปคนเดียวดีที่สุดนะอย่าไปล่วงอันนี้ประเด็นแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับก็เมื่อก่อนก็คือผมโตมาที่แบบชอบทําบุญเลยนะครับมันในในอินเทอร์เนต็ตเมื่อก่อนเห็ยนว่าทําบุญสิบสิบแบบเนี้ยแล้วก็ ทำเราไปสร้างจดีแบบว่าร่วมบุญตั้งแต่เหนือจะลดใต้นะครับทำพระเป็นหมื่นๆองค์ครับเมื่อก่อนที่ทำกับพี่เขาแล้วก็พอมาศึกษาธรรมะแล้วก็พอทำไปแล้วก็รู้สึกอิ่มตัวครับก็ได้มาศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เราควรสร้างคือเราควรมาสร้างที่ที่ตัวเราภายในครับมัน mm hmm. เราไปสร้างภายนอกมันก็ mm hmm. มค น, oh, <yeah. S 1> มนดี ดีแล้วมนภาวนาบ้าพัฒนาใจเราดีกว่ามันรู้สึกมันรู้สึกดีเหมือนที่พระอาจารย์ได้ได้พูดไว้เลยครับโอเคใจเป็นใหญ่นะใจสำคัญที่สุด น, นะแม่แต่จริงครับอจารก <Okay. S 2> าบคุณจิ้มจ่าคุณจ้ า, จาอันนี้พอเริ่นเดือนประมาณเดือนกรกฎาค่ะกลางกลางเป็นเป็น เป็นเป็นพฤติกรรมประจําปกติฮะทุกทุกปีนะครับใช่ค่ะจะกลับประมาณทุกทุกเก้าเดือนอะไรแบบเนี้ค่ะก้าเดือนเก้าถึงสิบสองแล้วแต่ตอนนี้พี่สาวก็ยังอยู่ที่เมืองไทยใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ที่คุยไว้คร่าวๆพี่เสาวเขาจะมาหาหนูประมาณช่วงตุลาที่หนูบอกว่าหนูจะย้ายจากพอร์ตแลนด์ไปเท็กซัสอะค่ะเอาว่าเขาอาจจะมาช่วยย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งตั้งใจว่า คือจริงๆหนูอยากจะถ่ายรถแล้วก็บินไปแบบตัวแต่ว่าที่บ้านบอกว่าไปซื้อรถใหม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะขับทีนี้ถ้าจะขับแล้วพี่สาวก็เลยเหมือนเป็นห่วงว่าแบบขับรถคนเดียวมันใช้เวลาประมาณห้าวันไงค่ะครับก็เลยอาจจะบินมานั่งด้วยกันได้งานใหม่เลยเปล่าค่ะพอดีค่ะหนูอยู่ที่นี่มาประมาณยี่สิบกว่าปีแ ล, แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่า ที่หนูบอกพระอาจารย์เรื่องว่าหนูตั้งใจจะบวชอีกสิบปีอะคะ่ะหนูก็เลยวางแผนว่าห้าปีเนี้ยหนูอยากกลับไปใช้เวลากับเพื่อนสนิทคนเนี้ยที่ห่างหายกันไปนานแต่ว่าก็ยังแบบสนิทกันมากๆเขาแบบสำหรับหนูเขาเหมือนเป็นพี่สาวอะไรอย่างนี้ค่ะหนูได้แผนว่าห้าปีจะอยู่เขาที่เท็กซัสแล้วหนูก็จะกลับไทยห้าปีจะเป็นการเตรียมตัวอแบบก่อนบวชอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วพอครบกันก็นั่นก็น่าจะประมาณสิบปีแล้วหวังว่าห้าปีที่อยู่ไทยจะเป็น อะไรที่ได้ลองแบบลองชิมรางอะค่ะลองอยู่วาดลองถือศีลอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ลองแล้วมาอย่างละปีไม่ได้เลยหนูก็ <laughs> ต้องนอนถึงห้าปีสิบปีเอาจริงนะคะ ร, ะน<ป>รัอาจารย์ปีนี้<ล>มันก็พอตัวที่มันยื้อหนูอยู่อะมันคือบิสเนสตัวเนี้ยตัวที่หนูทำอยู่เนี่ยเพราะว่ามันติดใจว่าเราทำมัน ไม่ได้ที่อย่างอย่างที่เราอยากได้สักทีหนึ่งแล้วกิเลสมันไม่ยอมวางค่ะค่ะอาจารย์มันมีความรู้สึกตัดสินตัวเองว่าเราแบบเหมือนแบบไม่ได้เรื่องเลยแบบไม่เก่งกั น, ม, นมันแพ้ชนะแล้วมันได้จากการแพ้ชนะนี่ ม, น ม, มันก็ผ่านไปเอาวิชานะของแท้เลยเนี่ย <laughs> หนูก็คิดค่ะว่าแล้วยังไงแล้วทาไปสมมุติว่าสําเร็จจริงแล้วยังไงอีกก็สุดท้ายก็วางไม่ใช่เหรอ ใจอย่างน้อยใจหนูนจะมีความรู้สึกว่าแบบเราทำได้ไเราสํเาเร็จเราสาเร็จมั น, ม, นมันก็เลยยังติดอยู่ตรงเนี้ยหนูว่ามันเป็นเรื่องเดียวเลยที่ที่หนูยังแบบยังไม่พร้อมวางเล ย, ยมันสําเร็จทางธรรมดีป่ะหนูก็แค่ยาวอยู่ค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ก็ยังดีนะคะยังได้อ่าที่ที่บอกพระอาจารย์ไว้ว่าจะนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ยังคงนั่งอยู่แล้วก็หนูสังเกตได้ว่ามันใจมันจะไม่ค่อยสงบคือหนูจะไม่ได้ติดกับ พูดโ่าได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยประโยชน์ของมันคือหนูรู้สึกว่ามีความนิ่งขึ้นในชีวิตประจาวันค่ะแล้วก็ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นหนูรู้สึกว่าอารมณ์หนูเดียวกับมันได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีสตตมากขึ้นมีสติมากขึ้นใช่แต่ก็ยังมีอย่างวันก่อนฟังทำธรรมหนากูดอะค่ะของเทปก็พระอาจารย์พูดเรื่อง ถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้ก็คือเราต้องแผ่อุเบกขาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูก็รู้สึกว่ามันสะกิดใจตรงที่ว่าคือแผ่เมตตาจรงิงๆคือเราเหมือนเป็นการแผ่ให้คนอื่นแต่แผ่อุเบกขาหนูรู้สึกว่าหนูแผ่ให้ตัวเองเพราะว่าความความอยากของหนูอ่ะมันถ้ามันเป็นไปนตามความอยากไม่ได้อย่างเงี้ยหนูก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะนอกจากต้องอุเบกขาจะไปทําให้เราไม่สบายใจก็ไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ค่ะ ก็ก็พูดพูดในทางทฤษฎีง่ายแต่พอถึงเวลาเจอเข้อสอบจริงๆก็คื อ, อดีดิ้นอยู่ในใจพอสมควรค่ะปล่อยวางไม่ได้ใช่ค่ะก็พยายามแสดงสติแล้วยังน้อยอคือมีสติได้ยังไม่มากพอที่จะหยุดมันได้ใช่ค่ะหนูก็คิดเหมือนกันคะ่ะว่าถ้าถ้าสติดีพออย่างน้อยคือหนูว่ารู้ตัวล้วเวลาที่ใจมันร้อนคือหนูจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ปล่อยไหลไปแต่ว่าสิ่งที่สติยัง ไม่มีมากพอก็คือทันทีที่รู้แล้วอ่ะมันยังอยากมันยังอยากวนอยู่ตรงนั้นอีกนิดนึงอะค่ะมันยืนยืนไม่ได้ใช่มันมันยังรู้สึกเหมือนทั้งทั้งที่หนูก็รู้คอยบอกตัวเองว่าทุกจังไม่อยากเลยไม่ชอบเลยอ่ะแต่ไอการคิดไปเรื่อยๆอ่ะหนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนจิตมันเสพติดแล้วจะบอกว่าไม่ชอบจริงๆคือมันชอบแต่มันชอบแบบไม่ชอบงงไหมคะอาจย์หนูก็ไม่รู้จังเป็นวิภวเป็นวิภาวะตสงหาเนี อ๋อออใช่ค่ะใช่ใช่คือแบบชอบชอาเป็นชอบแบบชอบกั็ภาวะทันหาชอบแบบไม่ชอบก็วิภาวะทันห้าอืมแบบไม่อยากทุกข์เลยไม่เลยไม่ไมแต่มันก็ไม่ไม่อยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่วางสักทีมันไม่แบบโอเวกขาสักทีอะไรต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมขออีกเรื่องนึงได้ไหมคะพระอาจารย์ที่ที่หลักอ่าถาม สุตตาถ้าเป็นภาษาบาลีก็สุตตา for foundation mindfulness ศุตตาะนั้น discourse ก็ได้น้ ourse, องสองน้องใช้สองคำได้ดูได้ค่ะโอเคค่ะ ม, มันก็จะขึ้นพสัสวยขึ้นมาเลยโอเคค่ะใช่เพราะว่าทุกวันนี้คือที่ไปหามามันเป็นแต่อติคอลเหมือนคนอธิบาย อ, ะอ่ะอธิบายเพราะมันยังไม่ มันมันมันรู้นะมันอาจจะเป็นเพราะเครื่องของเราเป็นอย่างั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้ามันขาดก็ลองใส่คาว่าสุดตะเข้าไป S U T T A โอเคค่ะหรื discourse ก็ได้เนะีได้ค่ะเดี๋ยวจะไปลองหาสุดตะ <S S ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น discourse อืมองดูดน่าจะได้นะค่ะได้ค่ะขอพบพระคุณมากค่ะอาจารย์โอเคสาธุสาธุค่ะ ไปที่คุณล่าแต่คุณล่ามีคําถามกี่คําถามไปเนี่ยกราบนำ้ำมศการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมำมศ ก, การพระอาจารย์ครับถ้าเพื่อนฝากให้ผมไปสั่งซื้อปูนึ่งที่ร้านอาหารร้านข้าปูเอามานึง่งผมเป็นผู้รับฝากไปซื้อให้เพื่อนผมจะบาปด้วยไหมครับบาปเราเป็นคนสั่งไหสั่งให้เราเป็นคนสายเขาข้าแล้วเราอปูที่เขาข้ามา มาให้เพื่อนอีกทีหนึง่งเพื่อนก็นบาปเราก็บาปเพื่อนเขาสั่งเราเราก็ไปสั่งต่ออะไรเงี้ยเลยมีผนบาปเท่าๆกันถ้าถ้าเราจะไปซื้อก็บอกสั่งเขาว่าเอาปูตายแล้วอย่างงี้ก็ไม่บาปถ้าสั่งให้เอาปูเป็นมาฆ่าให้ก็บาปคำถามสุดท้ายกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะดิฉันอายุใกล้80ปีแล้วอยู่กรุงเทพ ยังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ดิฉันอยู่บ้านแล้วรู้สึกไม่มีความสุขไม่สงบเพราะคนในบ้านอยากออกจากบ้านมาหาที่อยู่ใกล้วัดยานอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ภาวนาอยู่อย่างสงบไม่ทราบว่าเหมาะสมอย่างไรขอพระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนําด้วยค่ะคือความอยากน้นมันความอยากที่ดีแต่เราจะทําตามความอยากเราได้ไหรือไม่แค่นั้นเอง วเวลาเราอยู่คนเดียวมันก็จะเกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาคือความเหงาความว้าเหวความเบื่อหน่ายถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสมาธิเป็นเวเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกมันจะมีครั้งรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวเศร้าสร้อยง่อยเหงาอาจจะกลายเป็นซึมเศร้าได้แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิได้มันก็ไม่เป็นไรนี่มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถเวลาเราอยู่คนเดียวแล้ว เ, เราสามารถ จเจริญสติได้ทั้งวันหรือเปล่านั่งสมาธิให้จิตให้สงบได้หรือเปล่าถ้าได้มันก็ดีนะเราต้องดูกำลังของเราด้วยว่ามันจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือไมอ่โอเคนะหมดแนละ้วใช่ไหมหมดแนละ้วเจ้าค่ะก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาสาหรับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ